มีอยู่ที่ัวมรสจะได้ระมาสามคนนี่จะมีนมาที่จังหวัดอีกสองสามนีริงแล้วมีอยู่สอสามคนี่จแล้วมีสองสามนที่จริงแล้วมีอยู่สองสามันที่จริงแล้วมีอยู่สองสามคนทีจร้มีอ่สองสามคนทีจ้มีอ่งสามนทีจริง้มีอยู่สองสามนทีจริง้มีอยู่สองสามคนที่จริงแล้วมีอยู่สองสาม ในหลักการบรูชาบูสงศ์หนึ่งก็คืออาิสบูชาการบูชาด้วยอาบิสอาบิสในที่นี้หมายถึงว่าจุดศัพท์ต่งงางๆไม่ว่าจะเป็นบาทไม่ว่าจะเป็นยีวไว่าเป็นดอกไ้ไ่ว่าเป็นา้าสิ่งของต่ตางๆที่เราจัดเตรียมในสะ่นเนี้ที่งนอกกายเราทั้งหมดเนี้อันนั้นที่เรีว่าอาิสบูชาแม้แต่เครื่องแต่งกายาของเราที่เราจะแต่งกายนะั่นแหละ ไอ้น้องในการที่แต่งกาเป็นผู้ดูเชี่ทั้งนี้เป็นต้ไปนอกกนัเสื้อผ้าเครื่องพุ่งพรมอะไรต่างนเหล่านี้ที่เราจะใส่เพื่อให้เหมาะสมกัคกาที่เป็นผ้ดูเชี่ยวเจี่ยดังนั้นตั้งแต่เสื้อแต่งกายจะเป็นหนังทุกชิ้นส่วนของเราเนี่ยแล้วไอ้น้องตัวไหว่าเนี่ยเราเป็นตัว่ผู้ดูเี่ตลอดถึงเสื่อสักการะทุอยาที่เราจับเพียนอย่างเดียยก็คือแนี้่คือการดูเชี่ยวลักษณะนี้ก็เรียกว่าเอท ันกสื่มทที่ น, น, นีนายเอาไม้ถือสิ่งของรมซึ่งที่จะกระายไปยิ่งก็ยังไ่รู้ฉันก็ม่เคยดบริค่รไม่วจะเป็นป่าไม่ว่จะเป็นจีวรไม่่เป็นรองเท้าเมืว่อเป็นโรหรมอว่าจะเป็นมิดโกลไม่ว่าจะเป็ น, ก, ปนก ร, ะนะกรอะไรก็แล้วแต่ผ้าคุมผ้ากรองผเช็ดน้นี่สวาถวายนทำาเดี๋ยพระพุทธเจ้าถามว่าการถวายอย่างนี้ เรา้องถวายเั็ต้องถวายด้วควมรู้ะข้อเท็จจริงประการที่สุดคำถามที้เราไปถวายเน่ยุรุทเจ้าไมไ่ยื่นมืมะะอมาลับขงเราใไหมค อ, อแล้วทำไมเราถวายเราจริงจริงเนี่ยเราถวายบูชาไบูชาทุกอยุย่อเลยพรุทเจ้าทีดีมากัปนอย่าง วาปัญญาคุณก็คือปัญญาที่แทงตลอดอาลัยสารทีทัสิ่งทุกสิ่งทั้งเป็นประสามาสุตเจ้าและตกอระเจ้าก็มีพระโดยสุขสมว่าการที่พระองค์มีปัญญาแทงตลอดอายสารจะทำทุกสิ่งที่พระเจ้าจะจึงทํขัพระสัญญากระแสชีวิตของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจะกี่ยและกองทุกพระองค์ก็เลยได้พระบริสุทธิ์ที่นั้นกระแสชีวิตของพระเจ้าให้มีเกิี่ย ถ้าไปกุ๊กรูเลยม้ต่หลวงพ่อจงสั่งโดยสุดโดยแท้แล้วก็บูชาอะไรีกพระหมากรูนพระเจ้ามีพห า, ากรนาทีุ่่เฟืสามูพระเจ้าจะจัสรุปก็คไปนานถ้าม่ถึงช่วงมีดีเยความที่นีมากรูนอะไรที่สง่งบอกเป็นปรมีสิกกบอุปบุราเมศจิตรามาปรมี ส, ะะมะะะมสิมาอย่างยาวนานใน ส, สามสานวั ยอมลับบาปยอมทุกยอมทรมานท่านรับเป็นชาติเนะครับเป็นโทษแต่พระพุทธเจ้าจิบชาติที่สำคัญสุดใครมาเนี่ยห้าชอยห้าสิบชาติมแสดงให้ดว่าทรงเป็น อ, ะ, อ, นอะไรกับบ้านทาอะไรกบบ้าก่จะได้มาทุกข์โศ ม, มาสุขมาได้มาประทับตัศสูที่จา้ถิดสิงหเราระลึกถึงพระคุณที่เป็นคุณธรรมที่มีอยู่จริงที่นี่แหละทั้งพระปัญญาภูมิพระ บริสุทธิ์ที่คุณพระมาค้าเป็นนวคุณและเราได้บูชาท่าสรีระคุณพ้ว่าสรีละคุณนี้พระเจ้ามีภาพาบ ร, ริสทารย์ ส, ส, สมจุดสประการให้คุณจิตนับพระศิจยาคุณ ด, ด้วยที่สมบเร็นมาทุกอัจฉรภาพที่เกิดจนกว่าจะเป็นพระเจ้าพระบุตรคุณพยานทั้งหมดไม่ใช่แค่ปัญญายานไม่ใช่แค่บริสุทธิ์คุณไม่ใช่แค่พาาระาุณแต่ปัญญายาอีกมากอะที่มีอยู่ใน จะเสีนชีว่างอางหที่สุขขา้าพเจ้านำเครื่องสักการะเหล่านี้เพื่องบูชาเหนี้ซึ่งเป็นการบูชาเหนี้ขอนาะถวายเลิกใจจากโกอย่างทีง่บอกขอเนาะถวายพระปัญญาภูมิเท่าดุสิภูมิมหาจักรขอพระพุทธเจ้าโปรดจำขา้าพเจ้าด้เป็นผู้ธบริษัทของพระพุทธเจ้าให้นนอะรักษายอย่างนี้ที่ ทีนี้ในส่วนของพุทธในด้านของอภิสตานเนี่ยในอภิสตานแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันก็มี้งสีทัเสียงทั้ง่นทั้ลลงรสทปกบรเเราก็น้อมสละถวายพื่อูชาจริงใจที่เราน้อมถวายจะแท้จริงเหมือนเตะตรงใจยืนห่าเหมือ น, นเตะตรงใจยืนถวายก็โดนการถวายต่อหน้าพระเจาว่ที่ตรงเนี้ย ที premises, ่ตัดสู windows, ้รุทระสัมมาสุตติยานตตนควาสัมมาสุตติยาก็น้องเหมือนเด็ดลุงใจยื่นถวายเปนดูายเป็นดูาอย่างนี้นี่แหละปนย่างวิสุทธชาส่วนธรรมะบูชาหรือปฏิบัติบูชาคืออะไรคือศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นที่มีคำว่าตถาคูที่ศรัทธาเชื่อมั่นั้ญาัสูาตถาค ม่พ่อเองก็ไปิจ้าของรปเจ้าหกานไปผู้แกรจริงๆก็สูชอรได้กู้ไปเพราะระยะที่ท้อมได้วิชาาะสิบ้าเป็นผู้สูงกะดีแล้วเป็นผู้รู้แกโลกเป็นสารถวบุรพิเศษสมคูรณได้อย่างไม่มีใครที de de de ่กว ok de ่าเป็นศาสาของเทวนาถมุทัยเป็นผู้รู้อายัศิเป็นผู้ตื่นจิตาันสังเแล้วเป็นผู้เปิกบานที่เป็นอิสระเสภาพ ไม่กลับเป็ินภาคกนเลยที่ใช้ชีวิตคือเจ้าสามภูสุตัเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าพระทจ้าเน่ยันาและก็เชื่อมั่นกับธรรมที่พระองค์ทรงเสนอว่าสามารถทาให้ผู้ปฏิบัติตามและพ้นจากเกี่ยวและฟังทุกเรื่องจริงโดยพระญาติญาเองและเราก็เชื่อมั่นตัวเราเองว่าเราก็จะเดินตามรอยบันพระศาสนาพึ่งพัฒนาตอง จากมนธรรมะได้เป um ็นพุทาะการบริพจาาไปล้วจากบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความงานของพระธรรมเราจะฝึกตัวเองเข้าถึงความงานของพระธรรมระดับสีระดับสมาธิระดับปัญญานด้ครับเราจะขุดตัวเองจากบุรชนคนด้ว่อนเข้าสู่ความเป็นอริยะามูเห็อริยะสงคัญาอย่างน้จนไก็เลยกลายเป็นประถาคนโปที่ศรัทธาก็เลยเพิ่มเป็นรัตนอริยกัสสทถา ก็คือเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเมื่อพอเกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้ปุ๊บก็ดําเนินกระแสจิตขุงตนเองไปตามสีไปตามสีตามแบบอย่างรุงานของแบบอย่างอะไรอย่างนี้เพื่อปฏิบัติสีเพื่อปราโมทย์ปีติประสิทธิสุขสมาธิเพื่อปัญญาที่รู้เหตุการณ์รู้ทีและเพื่อพูนสุดตรตากับข้อมูลของปริยัติที่ถูกต้องดีแล้วก็จาระคการสละิีลปจริง ถูกถสลาแล้วเม่พอที่เด็ดภายในก็ถูกสลาอหมดจริงแล้วก็เลยปัญญารู้เข้าใจจงสามารถพัฒนาเพจะเป็นธรรนี่งวักถั น, นีก็ได้มวาได้สนี่เป็นธรรมะอุชาแต่เน่ยอ ย, อยากอาุชาข้างนอกติงควรจะทคือทํารรมะอุช า, ามันจะมีศรัทธาสิสุดากจะทำได้ เราก็ได้ความกล้าหารก้าวไปใจสู้ไม่หวัหนไหวไยท้ อ, ม, ทอมีได้กความเพียนะเอาได้สติตก็กลับอยู่กับตัวไม่พัดเพลิน เ, นเยนลยหรอกมีสติระลึกถึงคของพระเจ้าไว้ทางบ้า่จะต่อได้ต่ อ, ตอเนื่อไม่ก่อยให้บาปกัช่วยอะไรทั้งหายในสุสติโกวิชนิสัยนสุขโกได้ธรรมะในสติได้ความตั้งมั่นอยจิต เลือกติดฟูงทเจ้าเนี่ยชเป็นไได้สมาได้ปัญญารู้และสมใจสรุปแล้วจากอาิสบูชาเชื่อมโยงสู่ธรรมะบูชาหรือปฏิบัติบูชานี่เดาว่าจะประสงค์เนี่ยทำไมเราต้องทำบูชาทั้งสองนี้ให้สมบูรณ์เราจะทาไม่ต้องมีอิสบูชาจะทาธรรมะบูชาเกิดขไหมนัต้องก้าสาราว่าต้อเป็นอาิสบูชาเพื่อ จะได้เป็นปัจจัยช่วยนุนต่อการเข้าถึงมาบูชาหรือปฏิบัติบูชา้วัุประสงค์ไปไหว้อนนี่ทั้งน้นนิสกุชาและปฏิบัติบูชาไปในสถานที่ตัสรูรรสรุ้ตระสมาสุโยังทจกบเป็นนึกถึงอะไรที่ตายจนภาษีมหาโิเคยไปเห็ น, น ไ, ไ, ไหที่ตรงนั้น็นที่ประทับตัสรูสร้สัมมาสุโภจียังทุจะสชนะอะไร หนึงน่งจนัจีสมามาดึงจีเี่ตอนนี้จีเร่เรายั่อยู่ไหมเราคาตัวสามหานใช่ไห ม, เ, มเรายังมีขันธ์ทางมาอยู่ไหมมารคือเป็นเจ้าขันธ์มันคอยม็เปลี่ยนเรียนบิดข้ามาให้เราต้องเจ็บต้องปวดต้องทรมานต้องบริหารต้องจัดการไปมารไหมต้องเป็นมาและเรายังต้องมี มัจจุมามีความตายามนจัดรอาอยูอย่ตลอดเวลาไม้กลักไปนี่ก็ามาจักรอเนี่เราจะมีอภิสังขารมานี่นเจตนากรรมที่เราทาไปเกิดเป็นสัจโรบาสัจเรข า, าบ้านเกรดบ้านเกษตรกรบ้าเป็นเทวดาเป็นมืเนี่มันก็เป็นวันทุกทีทก็วนนี้นี่คือเจตนากรรมที่เป็นอภิสังขาร แค่เรายังมีเทวดาที่เป็นเทวคุณมาคอยหลอ ก, ก้เราติงๆหวา่าต่างเยอะมยะมา ร, ารือว่ใใาเจตนม่นะคัเราลูกหลงเราเ ม, มาใทกานีา้คุเคุณมมากเยแต่พระพุทธเจ้ามาชนะนะถ้าแกชนะอ่านแต่นะน่เอย่างนี้เรามาบูชาเด้รา ม, มีสมบูชาก็เกสักญาได้ ไดละบาตกรรมว่าบูชาคือศรัทธาวิริยสติสมอขึ้นท่านิลสัที่บัญยายก่อขึไปที่นันจะตั้งอาาัด้วยสัจดิด้วยความิงด้วยความเช่ในคุณของผู้เดียวข้าพเจ้าขอบูชาทพระจริยาคุณพระสิริจุลปิฎกผ้เเพื่อเครื่องสกสารที่ได้รับศรัทา และด้ทำ่ารบูชาเชือเชิญมันในวันนี้ด้วยจากนี้ขออนุสงเ์ในการบูชาที่สองอย่างนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าูเจ้าชนะกิเลสมาณเมียเฉใจชนะขันธ in ah in ์ขมารมาจุมานท้บรมารอภิสังขารมาแม้ยเฉยใจนสถานที nice. ่อย่างนี draws, ้ขอจงเป็นปัจจัยให้้าพเจ้าจงชนะกิเลสมาณเป็นต้นดังที่พระเจ้าสรงชนะให้ถือ เห็นไหมเามาบอกว่าเนี่ยระเจ้ามาชนะมากิเตสมาเป็นต้นนั them, so far, enza, airline, ่งที่ประทศบูชาอาบี่แหล่รัตนบัลลังก์นี่แหล่ทรงทำเกิเสมาใี้อันตราราชทัยแท้ทำให้เทบดามาให้อันตราานใัยแท้นสถานที่นี้เปชั้นใดพาะเจ้ามาถึงแล้วนั่งขึ้นสการะบูชาบูชาแล้วแล้วก็ทาทให้บูชาตรวจขึ้นในการถวายเป็น พี um. ah. Indeed, ่จบูชาเนี่ยทีจะเจ้าแล้วด้วยอานิสงส์การบูชาทั้งสองส่วนนี้จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เข้าไเจ้าจนชนะกียรตสมาชเป็นต้นจนถึงเทพุตรมาอย่างสะดวกเรียเรื่องรวดเร็วๆโดยฉับทำทันทีได้ทั้งทันทีเนีไปไหมอันนี้แกไปอย่างดีละอร่าไปอย่างมีจารยาิมิตไปแบบมีแบบแไปแบบผู้รู้ ไปแบบเข้าใจไม่ใช่ไปแบบองไม่ได้ไปแบบไปรู้ไ <rant> ม่้าใจพอมองอย่างนี้ยั้ไี่ยโอจะได้มองมีอะไรที่ชื่นใจเราจะ้ปักคมในการชนะกีฬาได้หมเนื่องจากเราชื่อใจทุกอย่างโอ้เราได้ไปได้ดีขึนะคมัทำให้เราเลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ เวลารากมันเปลี่ยนเยนวงการอยากให้เรทำอย่อมื right? it it. Well. So, oh, ่ีทย่เวลาคลางความวังอรุ OM ่นหมันปรากฏให้เราทอะไรย่อะกอย่างที OM ่ตรงนี OM ้เป็นจีชนะาเราได้มาถึงแล้วและเราได้บูชาแล้วทั้งาิสมุชาและธรรมบิชาเราต้องได้โการใการชนะจีนชสมานเป็นต้นดังที่พระเจ้าชนะจะอย่างนี้เราเชื่อมีไหม ออฟาร์มขึ้นมาเดาเตือนเช่นแต่เราสามารถทำดใ น, บ, นบริเวณนะครับที่อยู่บริเวณนั้นต้องมีเช่นพอหลังจากตัดสรลูแล้วก็ทัศนที่ตัดเซลูเจ็ดวัน ที่ตรง น, นั้นเขาแลิกรักกันแม้วตอนจากนั้นพระเจ้าก็ไปที่อัญวิสเจตีเจตียาเลยเจีที่ืนย่างลารนั้นไปยืนไม่จบที่วัดเี่เจไม่จบท่ตานะพอพระองค์เข้าสมารพระเจ้านี้มีาอริสาขนาดที่ไม่เหมื เมเล้วา็โทรบัเรเพเ์ญญมือถือก็ทังสามารถโทรได้ก็ติงแล้วกเราเป็นคือย่า ง, าา ง, างนี้น เ, นเวลาสมาธิเป็นา ก, การโทรป็นกกลับนการโทรก็จะล็อกทั้ใหรืั้งเรืจะสามารถมองในจุตใจจะเจ็บ ย่ว่าแต่ย่ว่าแต่พระเจ้าเลยเม้นสมัยยุคสามร้อปีแล้วพระเจ้ารมาพระเจ้าส่งพระเจ้าพระเจ้าส่งยืเให้พระพุทธเจ้าเทพบรรลพระพุทธเจ้ามันเจริญได้กับพรตคาคนที่เขามีบุญคนที่มีกำลังบุญศรก็ดีกําังโลกปัจขันก็ดีร่างกายก็ดีคุณภาพตาก็ดีองบอกถึงสมาธิก็ทั้ด้ ให้เราสมาธิพุ่งสร้างกับเพิ่นเรืยๆแบบแบบบบนหรือว่าอย่างนั้นกจะไปมองหรือจะไปมองกรรมคุณเนี่ยโอ้ยมองแทบไม่เห็นเลก็ทิตาตาห้งอะไยางเ้ยแต่พระเจ้แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาที่พระอ์มองโคองมองด้วยติ๊ดๆมองด้วยตาหงุดติ๊ดๆน น้ามาหล่อที่นี่จังหวะน้าะไรทีน้าก็จะมาหล่อชำละชำระความฝืนละอ่อนทั้งหลายที่จะเข้ามาในชำระอุทัยพิธีเกิดปราโมทย์เกิดสมาธิหรือว่าจะเจ็ดวันจะเกิดก็คือความมาสัจธรรมกับแรงของสมาชิกับงรงของสริกับแรงทองอย่างใและต่อมาสัปดาที่สามลเจ้าก็เทวดาก็ยิต ทำรัตนานาทำที่จงกรมหพวกองค์ก็เสด็ จ, จงกรมเจ็ดจากนั้นกิดรัตนานาจงกรมกี่ตแล้วต่อมาก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงควิธรรมอภิธรรมตรงนั้นท่านพระเจ้าไปพิจารณาความมิธรรมเจ็ดุมที่เขาเรียกรัตนะานาเจดีเจดีเรือนแะก้ตรงนี้ที่ทาฉัดทำนลำสีดทกลุ่มพระมา ก, มากีที่เป็นเาไปล้อมอยู่ มีธงกำลัรงานสีกันลอ้อเป็นฐานยืนอยู่หลังต้นโพธอยู่ทางด้านข้างต้นโพธิ์ใช่อยู่ อ, อีกมุมหนึ่นข้ันก็เรียกว่าเป็นสถานที่สแสดงอภิธรรมหรือทีริญควาิธรรและตอนนี้ได้จับปรด น, นักษีทุกคน ทนี้ส่วนส่วนที่บอกว่าที่อาชาปารานิโคดอยู่ข้างนอกแต่ปัจจุบันเขาก็เอา ไ, ไว้เป้นอันนั้นที่หนึ่งอาชาปารานิโคดก็หมายความว่าอยู่ทงาทงด้านใต้ทางด้าใกล้ใกล้เจดิก็จะมีที่ทุกเชืเ้อเพิงสี่าไหร่อาชาปารนีโคดเจดีแล้วก็มาที่สัตวจริทธิ น, นั้นก็จําลองไว้หมด แล้วก็ที่ราชายาัตนาจิติก็เดินลงบันไดลงมาก็จะถึงเสาใกล้ๆเสาอสศตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นเป็นลายชายัตนาจิติที่คนไปถึงก็เจ้าวสิสาปแน่เขาไปฝอกเส า, สาอสศมงปักไว้ตรงนั้นก็เลยมองว่าตรงนั้นเป็นรายชายตนาจเขาเลยย้ายจากจุดจริงๆประมาณสามจุดกว่านี้นมามาไว้ในบริเวณบริเวณนะแต่ถ้าใครอยากจะไปดูของจริงตรงไห น, น โอ้ยจำเดินทาล็ช่ไหมบริเวณในพุทิยา น, นไม่กลับแต่ว่าตรงนี้เข้ามาไว้จรากนั้นบริเวณสัญลารษณว้ตรงน้นบูชาวนที่น้่ประทับจัสรุนนั่นจริงๆที่เพ่งประนิษฐ์เจอแม่กับพี่นั่นเป็นจริงรัชนากรกรก็สั่งสัญญาระไว้ของจริงก็ทิวดาทัศน์ทิวดาทน์เลยแล้ว่อมาระเจ้าโสกเลยมา ทำเป็นสัญลักษณ์ว่าเดินในจุดนี้นะส่วนที่สแสดงว่าไม่ทำนั่นก็ทำเป็นสัลักษณ์ไว้ทนั่นอแ้ก็อยู่ควรจะชัด น, นั้นตรงนี้อยู่ที่รู้ที่รู้นี้เวลาพวกเราไ ป, ปนอยเตือนไป ว่าตอนนี้เราม า, นานสถานที่ตรัสรู้พอหลังจากตรัสรู้เสร็จพุ๊บที่บอกไปนาลันทาไปนาลันทานาลันทาก็ไปที่วิทยาลัยกนะ็เป็นจุดที่ภาษาญี่ปุนที่บอกว่ามีบ้านาีุ่นอยู่มาก็ไปสแสดงทางรงันไปเป็นที่กำหนดยุิธหมายว่าภาษาีลิตในทางนี แล้วก็ต่อมาเราเข้าไปที่คิจกูคิจกูก็เป็นสถ า, า, า, านที่บรทิยาประธานอยู่ที่คิจกูหลังจากเป็นปวดพระเจ้าพุทธิสัมตรง น, นั้นสมัยก่อนก็เป็นวัดคิดจกูดเตมหาวิหารเป็นวัดด้วยทำสการะขาตามันก็เป็นมหาวิหารเหมือนกัน มัสส ก, กุปีมาหาวาณเวรวรมาหาวิหารชีวะกะอัมวันมาวรบริเวณนั้นคือว่าก็แผ่นดินเป็เชื่อมก็ขยับขันเชือ ก็ยังอยูุ่ติที่เป็นสัญลักเป็นรจริงๆสมัยก่อนเขาคิดจักรวรรดิยุคโปรเจ้านนั้นน่ยคนขึ้นไปรองรับได้เป็นเรือพายพาเป็นดินเชื่อมตัวเพรามีทางที่อย่า ง, งนแต่ตำแหน่งนั้นที่เราไม่รู้จักใครเข้าใจรักสิดหน้าที่จะมาจริงๆตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่าเป็น เป็นพระคุณในพระมีที่เจ้าทรงประทายเราไประดีใ น, นที่ตรงนั้นก็ไปทวงของในตัวชานนคนขึ้นไปบ น, นั้นได้บรรลุมากมายพระเจ้ามีิสานจะมีหน้าที่ในการในการอบรมพื้นฐานอบรมประชาชนาเทียบมาที่ลห้าร้อยยี่ยออ ล, ลอบรมสีอออทาสีท่านพื้นฐานไปนเสร็จก็ส่งไปฟังด้วยทา เพรผเจ้ามาแสดงถามปุ๊บก็บรรลุพอบรรลุเสร็จปุ๊บก็มีสองส่วนส่วนที่มีอัธยาใสายเนญจาวาก็กลับมาทูลเลยผว้มีอัจฉริยะสายเบญจกุลก็ท้ลเลยทำเยอะแยะมากมายนั่นในในในรากสิ่งในตัวเมลองมีประชากรเจ็ดคนต้าสิ่้อยเก้าคนจนไม่ตั้งสี่รยนอกากีมเก้า สรุปก็คือว่าในยุคนั้นถือเป็นดีวนกว้าประมาณ180แปปัจจุบนนนั น, นในกาที่หามีประชากรประมาณ80ล้านคนแต่ยุคร้นคนมารุ่นกเกิด180ยแปดสิบแปดสเป็นมาร่นากเลัเป็นซังของมาเรียรุ่นที่จะมาเกิดเยอะ ท, อทีวัานไหน แต่นี่แหลเราก็ไปตามหรื่องไปและจะได้ภาพว่าจะได้รูเ้เห็นภาพว่า80เปซ็นภาเป็นพันธยากถาโสดาบานเป็นต้นอยู่ของเรือนาเป็นสังคมที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสัพว์ไม่โดนเบ็ดปิดไมกล้าเทศไม่ก่้าซอเสียดไม่ดื่มสชา้ามีนาทีาไหมีกุศลจัง ว, วัโโสดสี่หครบแล้วทุกวันอุโบสถถอศีลรุโบสถสศีลฟังธรรมเป็นทุกวัน ตอกลงวันไปทำงานตอนเย really? ็นดอกไม้ถือเทียนเป็นฟองพระเจ้าวงสายูกพุเจ้าเต็มไปหมดเป็นสังคมที่เป็นอารยชนยี่สเป็นคนไม่ดว้ามบ้านไม่ดีคุณะาแต่ิเปร์องนะเค อ่าแต่ที่เราจะได้มองภาพจะได้เข้าใจเวาไปจริงๆแล้วเนี่ยจะได้นึกภาพให้บ่องๆาาจังเลยเป็นอาทิตยเห็นอีกเหนอีกเห็โงต้องนึกภาพให้บอยยัง้อไปในสาวัตถีในสาวัตถีฟ้านโกส์เนี่ยมีประชากรในตัวเมืองสาวัตถีเนี่ย เจกอดก็คือ70ล้านใน70ล้านเนี่ย50ล้าน5แสนเป็นใครครูเจาอยู่ยี่จ้บบามัสยีี่ส้าปที่ายยารียาเป็นว่า ฉะนั้นอย่าลืมเดือพทำ ง, งานพระศาสนาการพระเจ้าขพระเจ้าเป็นผู้ประชาการลบเองกองทัพทำเนี้นนพเจ้าลั่นกองลอบเองลอบก็กิเลยชนะกิเลยปกเบลตอนที่พระเจ้าหลังจากทัศนูรุตระสมมาสมบริยานปุกสูวิติุลสีสิบกวัน7สัปดาห์ปุแล้วต่อมาพระเจ้าก็ึกถึงมุทกาตาบุรทานลนึกถึงปัญญวี มันยังกีอยู่ที่ตายสกัจนาเรืกานได้เปกติพระเรรจ้าทุกองค์ต้องห อ, อกไปเนี่ยแวพระเจ้าองค์นี้ถ้าท่านองค์ห อ, อกไปเนี่ยอุคประกาศชีวะในสิบเอ็ดท่านเลยต้องการจะโปรดอุประกาศชีวะก็เลยเสด็จไปพับพระบาทสมเด็จสิบแยเรานั่งรถจากพุจกยานาไปวรนาสีเนี่ยสอหาิบกายพะเจ้าเสด็จองเดินด้วยพระบาทด ไปเจออุ ป, ปกาชีวะ ร, ระหว่างทางเพื่อจะให้อุ ป, ปกาชีวะเห็นแล้วเกิดความเชื่อมั่นเกิดศรัทธาเมื่อได้ศรัทธาแล้วต่อไปเนี่ยจะได้อัธยาศัยในการได้ทัศลุแล้วก็ได้ยินยมองไปเห็นบเนี่ยอุ ป, ปการอกตะลึงเห็นฉับพลันรังสือโอ้โหทำอย่าง น, น้เขาขนาดดีอินทรีย์ผ่องใสจริงนะ มีพระจริยาวัดวุฒงานมีชฎิวันผองใสมีแสงสว่างออกเลยงนเป็เนปีติดอ ย, อย่างเงี้ยก็ถามว่าใครเป็นาศาสตราใครเป็นอาจารย์ก็แต่ก็บอกว่าเราไม่มีนะดูก่อนเสียหายพระอาจารยเรามีนาว่าอนั น, นตชินะเราหักกรรมหมีสังสารจักเราตัดกิเลส เป็นสมุจเฉทบันครอบนำทาที่เป็นไปในภูมิสามแทนตลอดทำที่เป็นไปในภูมิสีได้ด้วยตนเองแบบนี้จะคืนน่านใจเราเลยอาจารย์อาจารย์ทุกท่านโอ้โหนี่แล้วพุทธิจ้าก็บอกว่าเราจะไปที่กาสีบุรืจะไปวารานาสีจะไปลั่นกองรกที่นั่น จะเปปลปกสัตว์ให้ตื่นขึ้นมาในหละจุดแรกตรงนั้นน่ะที่ว่าเห็นสัตว์ถูกทำไมเราไปเรีนว่สัตว์ถูกที่ตอนตัดกันก็เลยธรรมราชิษษษากาสุขจะนั่เป็นธรรมิกสรสุขนั้นสัตว์ตรงนั้นแหละก็ทําวราชิกาถูขแปลว่าสัตว์ที่สร้างถวายก็ธรรมราชาดุริยากเป็นสถานที่ที่พระเจ้ามาลั่นของลง็อกฟีนี <c oughs> <c oughs> นน่เวลาคนที่เขาจะล็อกกันสมัยโบราณเนี่ย ต้องมีกองรบต้องตีถ้าจะให้ปกต้องตียังไงใช่ไหมใครรู้ไหมกำงรู้ต้องตีปลี <t <t um> ่ยนใ่ทหารไอ้ทหารถือดาบอะไจะวิ่งปุ๊อไรเลยนะตีถอยก็ถอยเนี่ยตียุดเั้นเนี่ยพระเจ้ามันไแสดงธรรมาจากกองอดณาจัรเป็นต้นนั้นเป็นร่ากองพบปกติอย่ยหมู่สัตว์เนี่ย ยอมจำเนิ่นกันทียอม่อนหน้านั้นไงยอมจำเนิ่นยัยงไง น, น, นั้นไงเราก็ยอมใช่ไหมล่ะแล้วความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยเราทําตามคําโกรธหรือทําตามปัญญามันให้เราโกรธใคแล้วก็ไปโกรธมัให้เราด่าใครก็ไปด่ามันให้เราถือตามองใครก็ไปถือตาห้องมันให้เราเปลี่ยนใครแล้วก็ไปเปลียนจริงไหมนี่แปลว่า เรายังไม่ได้ความธรรมะที่เป็นรันกองที่จะเพื่จะรบ้กสู้กันกี่เลยใช่ไหมคว่าความโลภความต้องการความอยากมันอยากให้เราไปทําอะไรเราไปไม่ได้โอ้โหไปกินอาหารไกลขนาหนคามต้อรเสร็อย่างนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฟ้าอยากความเสียงอะไรแล้วก็ฟ้าอยากจะอยู่กับใครอยากจะได้ใครเินไปเลย จริงไม่จออิสรุแล้วเนี่ยพระเจ้าเห็นว่ามูสันเนี่ยย้อนเป็ น, านทางต่อกิเล่เอาละเราจะเป็นปกสั์ที่ตื่นขึ้นในจิตตรงนี้เขาจึงเรียกว่าธรรมราชกัจจสัตว์สัตู์ทับซ้างตวา่อธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมาท่านกำลัลั่นกองรนีั่นกองมูสั ต, ตื่นท่าน ญ, ญาตคนนั้นตื่นเป็นคนแรกเลยก็ยิ่ได้งายยิงทำยนี้ตื่นแล้ว แต่เราอย่างน้นองเหเขรไปตรงนั้นตื่นเต้นไหมโอ้โหนี่รถไฟงตรงนี้ในตัวหัวที่มาทำเวลาสนะดกแลได้องไปส มีอุา ก, การไม่ใช่ไม่เชื่อนั่นแหะเชื่อการสัตว์สีษันรรนั่นคือเชื่อการแลบลิ้นนั่นคือโง่เราไปคุยกันแค่กี่ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันสัตว์สีสันแปลว่าอะไรเด็กๆมันเยอกแลการสัตว์สีสันแล้วาาลจากไปนั่นแปลว่าเชื่อเชื่อแต่ก็ยังไม่ถึงแค่เรเชื่อมันเราจะพง่หรืเชื่อ พออยู่ต่อมาเนี่ยรูปการเนี่ยก็ไปเสร็จก็ไปได้เมียไปได้ลูกของใจกลางแต่งงานจะมีลูกคนหนึ่งถูกเมียสาวพูดโขพูสาวพูึก็คิดถึงระเจ้าก็คิถึงพระเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าด่าเราเนีเราเป็นคนมี่งไม man, however, ่ได mm ้เ hmm. mm ็น hmm. มีเยก็ด่าอนีนะครับนะครับไปเลยองหน้าแล้วก็เดินลอยเลยตอนนั้นที่สุดจริงกับพระเจ้า ประชุมิสุทธิสมีอยู่ครั้งหนึ่งบอวันนี้ถ้ า, huh? ามีใครมาถามหาวนั้นจะชี้หน้าใ้านมหาวะพระุทเจ้าอยู่ในประการในอดีต ah pues แล้วต่อมาเขาพิจารณาเรื่องของการประชาราษฎร์แล้วก็ท่านก็จะจบางพอไปอยู่พระพุทธเจ้าพวกพระพุทธเจ้าท่านก่อนร่งอรณเมื่อเดือนเจกันกำลังนั้นท่านจะไอยู่พร้อมกัน กับผู้จัดผู้จัดสแสดงรับก็เลยเป็นรูปเป็นร่นางอาคารที่ต่อไปประวัติยุคเนี่ยแสดงขอ้อเท็จจรจริงๆแล้วนลยยดเนี่ยหลัยยางเจมสเนี่ยมีเวลาอยู่สิบเอ็ดัวแต่ว่าจริงๆที่เินจริงๆไม่กี่ไม่มไม นเวลาจากช่วงที่จะครบที่มาแสดงทรนเวลาประมาณ10กิโลเมตรเวลาเดินอีกู้หาเดินวันละสิบหกกิโลไรสบายในสิบหกกิโลพวกเรามตมันสิมกลฉะนั้นตรงนั้นเรียกว่าทำภารกิการสัตว์ในที่หนึ่งเรียกว่าทำเมฆขัดสัตว์ เป็นสถูปที่สร้างถวายแกผู้ที่ทท เ, ทหท เ, เห็นทำครั้งแรกทำมากกว่าอีกนั้นบุคคลใดที่ไปเห็นทำครั้งนั้นที่ตรงนั้นเป็นครั้งแรกก็เป็นการถวายมียท่านอาญาควะังเป็นต้นที่ได้บรรลุทำครั้งแรกขณที่ก็เลยสร้างเป็นสถูปสองสถูปสถูปหนึ่งเป็นธรรมาที่การสถูปถ้าคนไทยไปก็ ไปสำานว่าที่ที่ทาให้การสูบเป็นที่ที่ท่านัญญาโคนัญญาได้แต่ตกอาาาาา ม, มาศรีลังกาเ็นต้นเขาก็บอกว่าธรรมราชการสูบนี้แหละเป็นที่สแาาสดงตระักาท่านั้นเ็นท่ดตั้งแตเเป็นรแต่ว่าจริงจบริเวณหหเหล่านั้นจะก่อนที่จะสูบให้สังเกตุนะถ้าว่าตามหลักฐานตามประาสเขา ทำรายการเข้ามาเาชเพราะว่าที่ริท้าแสดงชาวบุตรปนเยาวีแลช่างบูชาดีเขาก็ช่างดีวิจารู้ดีใจทำรายรารที่เป็สรุปใช่ไหมบริหารดีตรงนั้นเนี่ยนที่นเทียมานองเป็นคนที่หลาคนดีที่นี่สาระสาคัญที่พวกเราถ้าไปในที好好่ตรงนั er ้นเราจะทำยังไงดูที่นี่สำคัญมาก ก็คือว่าไปนาที่ตรงนั้นเราบอกว่าพระเจ้ามาปกสัตว์เพ่อเื อ, อามาั่นกองรถนะเจ้าพระเจ้ามาแสดงธรรมให้ท่นานัญญากรัญญาเนต้นเอาปาฏิญาหมานามาอสชีญ า, า, า, าส า, านสุลโมตุสปาของคุณญาชีกมงมิถิริโต้เตหล่านี้ให้ได้ดนตาเป็นต้นจนรรลเป็นพรันตนบริเวณที่ถุีพ่อของส า, าแม่อญาสาก็เป็นมาศ แม่บาซิคาทะเลตลอดเป็นภรรยาเก่าขนี่ที่ตรงนี้เป็นที่ที่ทำรัตนสังราตนาปรกฏผูทาราตนาบัตเกิดขึ้นจ้าปัสาวะพระทธเจ้ามาแสดงธรรมก็เป็นรัตนเกิดขึ้นแลสังครตนนไทสรุปก็คว่าพระเจ้ามาแสดงธรรม ปกปูสังหตื่นขึ้นทำให้ได้ดวงตาเห็นธรมจึงได้เรารูเาา้เป็นพริยาเี้เป็นผู้สวด์อย่เั้งแรกนละที่เรามาทว า, ายบูชาท้งวิสุิธบูชาและธรรมะบูชาในสถานที่แห่งตลอดอายุศักดิ์ของท่านอญญาโกตยงเี้เป็นต้นไม่ไฉชนไหน ด้วยการที่ขาา้าพเจ้าทั้งหลายมาบูชาสถานที่บรรลุธรรมขั้งแรกของหมู่อริยสาวกในสถานที่นี้ขอจงเป็นปัจจัยเกิดให้ขาา้าพเจ้าจงมีส่วนในการปัสรูแทงตลอดอริยสัจตามพระอะรอยิยบุคคลเนี่ยโดยสะดวกโดยเวลาเพื่อไปตั้ง อ, าา ร, อริยาสัยราจะช้ด้วยอย่า ใ น, นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราไปนในนที่มันใหน่มันจะเห็นจินตนากากาดีรงไมที่พระเจ้าบอกถ้าไปสุกัทะมือกงที่นั้นตรงนั้นคนไปไมรนรู้ธรรมเยอะมเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปในมีเวลาก็าเข้าไปในพิจารณ์พิจารณจะต่างอีชั้ ก็จะไปเห็นไปเห็นสาโสรดทีเป็นสิงสิงสตัวหน้าไปที่ที่สีบนหัวสิงก็ถูกถกรจตอนนี้จะมาจับโดข้างร่างก็จะมีทัง้งโขดก็จะสิงโยช้าโขดม า, มาเรืเป็นเสาสองสามสิงนทั้งหมดมีสัญญาณเป็นเป็นเป็นธรรไม่อยากคิดเลย พุทธบริษัทของพระุทธเจ้าพระเจ้าโศกในี่ยทรงท่าเป็นประการาศาสนาก็เลยทําสัญลักษณ์เป็นสิงฆราเป็นช้างเป็นม้าและเป็นมวัวสิงฆราและม้าถึงการทำของพุทเจ้าพุทธบริษัทของพุทธเจ้าคูอพิสูปเป็นต้นจึงต้องอาถารรพ์ต้องแก้วกล้าในการกล่าวว่าทำของพุทธเจ้า ต้องไม่เอาความเสีเออเยดสติต้องเอาประธรรมแท้ที่พระเจ้าสงา่าเนี่ยเป็นการเป็นประกาศปเปิดเผยเป็นไปทำเป็นประกาศหลักการของพระเจ้าด้วยความ อ, อุปถัชภ์ด้วความแกร่งการชาร้างในพุทธกำลงังองมีพละงกำลังแั้งแรงอง่ามนชา้างเสรที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่บันทหรือลูกสอนที่มีมาอย่างที่จดสือ มาียอกบอกรความรวดเร็ของสติปัญญาผู้บริษัทของพระเจ้าโดยเฉพาะ้าเนี่ยต้องเป็นผู่มีปัญญาเฉลี่ยเฉลียวฉ ล, ล, ลาดหลักแหลมสามารถคิดทวุทวงอะไรได้อย่างใใครื่นเลยสะวนี่ยวนะบอบอกเความอดทนแบแแบดยยอมตายชาดชาย ไ, ไมใไหรอผู้จับริษัทของพระเจ้ามีที่สุเป็นต้นก็ยอมรับคาสอนพระเจ้าแบดรับภาร ตัวศาสนาจะมีตัวอินตายไม่ทิ้งพระราชารรคอั น, นี้ว่าจะอันนี้เป็นคติชีพระเจ้าส่ท่านต้องการให้พระไปทำงา น, นศาสนาจะก็ส่งออกไปเก้าสายที่ยุนั้นะนั่นก็เล ย, ยมีลูปสิงโตรูปช้างูปมา้าลูป ท, ทีนี้ในพิพิธภัณฑ์จะไปเห็นช้าถ้าเราไปเห็นจะมีลูปช้าง มีโลคช้างอยู่แต่หากโดนทำลายไป็รักสุขโลคช้างที่อววงจับมนุษย์ตึงขึ้นมาอันนั้นน่ยเป็นพระชาติที่พระเจ้าเคยเกิด เ, เ, เป็นปรัญญายช้างฉันทที่ไปจับนาคานโสภา ด, ดอนที่เป็นยับที่ไปอยู่ใต้แผ่นดินตึขึ้นมานี่แหละพระแต่ก่อนตอนที่มระถังสังจกักจาริกอินเดียมระถังสังจักบอกว่าโลคช้างเนี่ยใหญ่ แล้วก็ติดไว้เป็นที่สรับสการะบูชาตอนนั้นก็สร้างเป็นสร้างเป็นบุนนดดสร้างเป็นที่เยสวยงามเป็นโลกพรยาชา้างจักรพรรและคนเป็นสการะบูชากันกำลังจับในพานโซนที่ร้องขึ้นจาก น, า ท, นกที่แรกจะทำลายก็เห็นเป็นผ้ากาสาัมภารจินใจก็อ่อนโยนกถึงอะไรงพระเจ้าใระราาชายาได้เหนเป็นต้นพระานสังจังบอกว่าจริงบอกว่า ภาพนี้ดูเหมือนเหมนจริงซึ่งออกมาไปดูกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนที่แกะสลัดคนคนีเหมืนีจิติามีจิจติาเย็นหน้าหนตางเย็น้าัอย่าง น, นี้จะไก็ตายได้ในชงนี้เราไปได้อยู่ ใ, ใกล้กอ็เดินออกมาจากนั้นก็เดินเข้าไป ไ, ไปย แล้วก็จะมีาภาพปรางปฐมเทศนาที่สวยที่สุดที่อยู่ในพิพิธภังอยู่ใกล้ๆกันในที่ว่ายน้ำเป็นไปมาไม่ายกนีา่ห่งางกันก็เป็นไปก็ไปรา ว, ว่าปรางปมเทศนาปรางนั้นเนี่ย ก็ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจักโ์กระโปงในให้จักรพันเยาคี่้างหน้าตลอดทังพรมเส้นแปดก่นไุในวันนั้นอ้ถึงก็ไปกราบไปบูชาไประลึกไปตวสักการในทั้งวันอันนี้ก็ไปเขาขอยเราได้มอยแางนี้ได้ได้กะบวนการความเข้าใจทำความแผลถึงจะได้ศักดาไปนั้น กูซาเดินทางไปเสียเงินเสียทองไปแล้วนีน่ยต้องให้ได้เงินทองที่จ่ายไปทั้งหมดให้น้องถวายเป็นเพื่อบูชาวเนี่ไม่ว่าจะเป็นค่าตัวค่าที่ค่าค่า น, น, น้องถวายเป็นเพื่อดูชาเป็นทางวิสูชาวันอาตภาพเราก็ถวายเป็นเพื่อดูชากระแสชีวิตก็ถวายเป็นพื่อดูชาเราจะเป็นบูชาพื่อดูชาวิดอย่างนี้นมาน่าสนใอย่างนี้น่สาสนจะย่าน้มันจะได้มันจะได้ศรัทธาเพมขึ้น จะได้ความเกล้าเพิ่มขึ้นจะได้สติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรได้คือเมื่อสละอภิสูตรชาแล้วต้องได้ถรรมบูชาต้องได้ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปกลับมาแล้วศรัทธาต้องลบเราต้องรักษาเองศรัทธาต้องรักษาเองต้องเจริญเองความเพียรก็ต้องรักษาต้องเจริญสติก็ต้องเจริญสมาธิปัญญาก็ต้องเจริญป็นให้คนอื่นเจริญแทนได้จะไม่ต้ไปทดูแลของตน ไปเนี่ยต้องพยายามพหาได้ ก, กลับมาแล้วให้มันได้ให้ครอบงวดคือได้สถานเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือศรัทถ้าไปแล้วกลับมาไม่ได้สถานในบร้นจนั้นตายเสียหายใช่ไหมครับหมศรัทธายิ่งเสียหายเลยว่าใครจะดูแลอเราต้องดูแลเราอาจจะไปเจอสิ่งที่ชอบใจว่างไม่ชอบใจว่าเราก็ต้องฉลาดในการที่จะเพียงพอในการที่จะแบ่งปัน อะไรที่ไปดูแลศรัทธามั น, นตกก็ไปเสร็อะไรที่ไปเกี่ยวข้องแล้วศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปดูภาพเกี่ยวบบริษัทสติสมาธิวิญญาณก็ยังรับเพราะเราต้องการแไปเจริญกุศลนี่ต้องฉลาดไปเืแบบนี้แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันแต่คนที่ดีข้อมูลศึกษาไปดีวิจัยไปดีวิ่เห็นภาพข ฉันกัลยาณบางกลุ่มที่ไปไม่มีผู่นะฉันไปครั้งก่อนเนี่ยตอนเข้าปสามมีคนที่มุ่มั่นให้ฉันไปสามต้องไปเจอคนที่รู้จักที่คอโดในยูที่รู้จักันเนี่ยพอเห็นม้อ็เข้ามากันเป็นกลุ่มมาก็เป็นจดเป็นร้อยคนมนกากราบฉันเน่ยเราเป็นร้อยซึ่งถามว่ามากันยังไงเขา้เขามามาแล้วก็ปล่อยเดินไปไม่ทั่ว ไม่มีชนะไม่มีการบูชาไม่มีอะไรกัน ม, มีการฟังอะไรลไปกันชั่วเขาบอกว่าเาไม่รู้จะไปยังไงเลยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเาหลังเนี่ยเขมาเที่ยวกัะเทศไทยนี่ศึกษาผมเราในมาอินเดียเนี่ยแล้ว ร, รู้ข้อมูลก่อนไม่รู้ ย, รยุ่งเนี่ยถ้าอย่างงี้ยเขายัา ง, ยงไม่ให้ไปไม่รู้ข้อมอูลก่อนไม่ดไปก็จะยัง ีไปแบบไม่รู้เลยจโผล่าไไงทานด้จะบอกพือถามาทีฉันไปฉันไปที่ต้นกระสีบาง่้นางคนตาเกันไปทั่วเสียเงินกเท่าไหร่เิสีมื่นแเนี่ยงคน ไปนต้องใช้ข้อมูลก่อใช่ไหมแผนที่มันต้องมีจะได้เดินตามแผนที่จะได้พรเราไปเนี่ยไว่าประวัติศาตร์ทั้งสอนกว่าีเลยได้ประวัติศาสตร์ก็แค่ระดับหนแต่สิ่งที่ควได้ก็คือกรได้ความรู้นเรืองการทองเี่ยีย่รีบร้อนอย่าไปกังวลใคนก็จะรีบร้อนไปดูที่น่นี่นี่บ้างไปดูปบ้างท เมือนในพกยงอย่างใครบ้านนางสุชาดาไปสถานที่อะไรม่รูี่ย่กวเข้าทุกที่ไปก็ไปชงงชงงชงงู่พวกนี้ได้ง่ายที่ดงคาซิลี่นี่เป็นสถานที่ประเภโทการกลีก็ต้องเดินไป ที่ต ร, รงนั้นป harma บุรุษควรเป็นตัการกฏิญานี่6ปีใชครนะัสิ่งที่ควรไปมนาิการควรไปใส่ใจในที่ตรงนั้นก็คือเห็นเห็นความอดทนเห็นความแกล้กลาหาญของท่านเราทั้ง่านอดทนความทุกขเพียนจนเนื้อหลุดหายไปใช่ไหมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็เพี้ยนขนาดนะั้นอดอาหาร การลมหายใจเป็นเปตามกันจนจนเหลือแต่งหนังหุ้มกระดู่เนื้อหลุดหายแล้วเวลาพระองค์จะใช้ภาะหัตโ์ลโกระดมกันลไปตามตัวก็ให้เกิดความสุขขงที่มีรากน่าก็รุนเต็มไนเพราะไม่มีอาหารแล้วไม่นึกถึงว่าเห็นไหมว่าการบำเพ็ญผิดๆเนี่ย ที่พระองค์ทรงทำให้ดูอ่ะมันเป็นทุกขารกิยามันเป็นทุการ ก, รยา ก, ารกริยาเนี่ยขนาดหนักเยก็จะได้มาตอนนั้นเนี่ที่เหลือแต่หนังเนื้อเลือดหนังเหลือแต่หนังกระดูกเหลือแต่เอ็นหนังจะดุกตอนนั้ น, นยพยายา ม, มากลัวว่าท่านจะได้บัลลัเข้ามาริบอกว่าท่านเลยท่านจะเพียนไปทงไป การบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดด้วยความเพียรเนี่ยรู้ถึงได้ยากท่านมีโอกาสตายทั้งพันส่วนหืส่วนและแสนส่วนโอกาสบรรลุนั้นะมีจุดเดียวเล็กนิดเดียวท่านต้องหุดความเพียรได้เถอะและ้วกลับมาบูชายันกลับมาทำบุญสิแล้วตอนนั้นท่านวพระบริสัทท่านก็บอกว่าดูก่อนมาก็เป็นต่อทานของคนประมาณ ท่านจะมาเปรียกกอกเราทําไมทำไ ม, ท, ำไมท่านไม่ไปเรียกรองคนที่เขาต้องการบุญเพราะคนเช่นเรานี่ไม่ต้องการบุญเขาจะทำได้ไหมหมายความว่าท่านไม่ต้องการเกิดคนต้อบุญก็ต้อนถ้งท่านไม่ต้องการการเกิดในสังสารวัฏ้าไปหลอกล่อคนต้องการบุญสิอารเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นตพนหมด้วยนะบุญ ไ, ไหม ทำบาปด้วยพูดด้ยวยกันเดียวกัได้เจะอยากเกิด<ม> ก, ก็ใหญ่ใช่ไยอมเนทางบุญดีบ่บุญดีตัวใหญ่เลยตัวใหญ่แต่ก็แต่ยอย ม, อมยอเป็นคนไมชอบทุญนะทำบุญทำสัตว นีน่พยามาราาาเป็นผู้พระอพอิษาจะเรยพูดกลับอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าดูวอนม า, ดดาคนเชืเ่เราท่านก็บอกว่าลมเนี่ยสาวมากท่าที่มาสุดไม่เแทนเลยเแต่ลมเนี่ ย, ยนอกและไเยไม่ทำให้เรือของเราเนีเ่ยเคยแทนได้ดแต่ถ้าแต่ถ้าลม เป็นต้นเหล่านี้จะทำให้เลือดเราเหงแห้งไปจะเหลือแต่หนังเป็นกระดูหรือว่านะแม้เราถูกความความทุกข์ความทาม ร, รม bi ển, bi ển, bi ển, ารเียเียนไกลจใจของเราไม่เคยทุกเลยศรัทธาของเรายิ่งใสตาากของเรายิ่งแจ่วกลางสติของเรายิ่งมั่นคงปัญญาของเราก็ยิ่งรดแล้วท่านจงดูเรา เราจะต้องเป็นสัตว์ที่สะอาดให้ได้เป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ให้ได้ท่านจะดูอะไรโอ๊ตมาดีเป็นราชาเป็นมีเห็นเราใจหมอยถึงแค่ตอนสุดท้ายใช่ไหม อะไนเคยความจริงอะไรที่เขาไม่จริงท่าน ท, ด, ทดลองมางในยุคนั้นที่เขาบอกเห็นแบบนีน้นั่นก็คือที่สวดจริงๆนะั่เห็นว่ามันไม่ใช่ธรรฉะนั้นพอไปและที่ตรงนั้นก็ไปสมาทานอูชาความเพียรควางทแล้วก็บอกว่าการกระทําผิดใดๆที่พระุทธเจ้าทรงทำผิดที่ดูแล้วเราก็จะไม่ทําแบบนั้น เนี่ยผิดที่พระเจ้าบอกให้ดูอย่างนี้ก็เรียกผิดฉนั้นคุดไม่ต้องมาทำแบบนี้ไม่ต้องมาทรมานแบบนี้อีกเพราะอย่างนี้มันวิธีการที่ผิดและท่านก็เลิกแล้วก็มานำสิ่งที่ถูกท่านต้องการชี้หรือว่าผิดกับถูกต่างๆแล้วต่อมาท่านก็มาทำสิ่งที่ถู ก, ก, ก, ถกแล้วฝากหานาที่จะสรุปได้ในที่ต้นเร่องที่ผิ ด, ดมันเป็นเด่นที่สุดในใจสังที่มีอยู่ ย้อนกับไปจางนี้ไปไปสุดเลยย้อนกลับมาย <c oughs> ยอยากหมเนยั yeah. ่นสิ่งต่ตางต่างทบริเวณนี้เรยมีให้พวกเราได้ไปนัดจุดต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคืกความ<ๆ>็ง้วการามเมลว่าต้องต้องจรกเป็นนานด้วย อาจจะให้ทานั้นของทำเป็นแฝการ่ไหแล้วก็เสียงจะเพิ่เหมือนเราเปดเปิดเปทีวีตอนนี้ยัดอเข้าาทําโดูให้อจะไปถึงที่ทีง่นอย่างเช่งที่บริลีนมาก็อาชุดที่บริลีนมาจะไปเขาทิ่เจกูก็ที่เขาที่เจกูจะไปที่ทัศรูที่สุร้ที่ประสูติแต่ละที่จะเห็นอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวสิีสามนี่วันอีกอยากดีๆก็อยากเรียนสูงไปก็ได้แล้วก็สุดยอ้วต้องเปลี่ยนไปใช่ไหม ต <f uro. S 1> ัวใหญ่มากแต่พี่ไม่โอ้อวด ที่ที่ที่จะต่างโดยที่มาที่มา เราต้องปกปิดที่จริงเป็นการเชื่อถือเรื่องความสุขภาพ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 La tienda también y มีอยา่างเั้ยเยอะอะไรถ้าพูดไปเรื่อยๆอยก็จะเอะเลยอ <laughs> ะเช็คเอาเช็เอาวันรุ่ ว, วันที่เป็นวันแรกเราจะไปที่ไหนทีนท่จะาโกรใช่ไหมเราลงมาจากเขาที่เจโกรก็จะมาเจอวิวอากาขงวัน ชีวการพาวันนี้เป็นว่าของมอชีวโกมารละครสร้างถวานนยเมื่อสองศูนย์่เป็นของที่ชีวกาพาวันนี้แหะที่ทเราจะแก้กลัวเราจะแก้ศัตรจะแก้ศัตรูจกมา ต, ต่ อ, อไปใ้กับตัวแล้วก็บอกสามอันนี้ค่อ้สงสวยนะคร้นอีวัดนี้ก็คือวัดเวรัวฉันจะลงจ็บเขาที่จะโกมันจะต้องเจอวัดเวัวนตัวั เ, วว เ, ออวเชียวันต้องเข้าเวรัว่อ โยบายอินเดียกินใช้ สิบล้านกิโลเมตรต่อวันก็ถ้าเกิดว่าใช่น่าจะประมาณสามเดือนสิบล้านกิโลเมตรต่อวันก็จะประมาณสามเดือน การเร า, ารสมาทานสีไปพวกแลวกรักษาเฉะๆรด้วิธีเจริญสีทำยงไงรู้มั้ยเจริญก็ไปถอนอะไรลานเพื่อจาข่าแต่ทั้องค์ผู้เจริญฆ่าเระ่อจะได้สมาทานสีขาบกคือเจตนาที่พป็นรยาการเช้าเปนรรยากาศเต็สภาพกา ถวายเป็นพุทธบูชาเดยสัตวาสเียใจจะไม่ให้โกรธไม่คิดเบียดเบียนสัตวาอะไรแบบนา้เป้นการช่ชีวิตเขว่าน้องไม่สัตลากหายเกมีความสุขอยีสุดแลตัวในน้องเนี่พระเจ้าน้องถวายสมาทานึกษาบวชสมบูรยการค่าไมนเป็นดการเหียดเีถวายเป็นธ นี้เจตนาทีม่มนวษย์จการฆ่าเนีนจำนงความจงใจและตั้งใจที่จะให้กระแสชีวิตสะอาดโดสุขสงบให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาที่หล อ, อกไปท่เข้ า, ขาจิตนี้มีสภาพจิที่เป็นเลงเว้ น, นตาเลยนานไม่ใช่สมาทานสีแล้วก็อยู่เฉยๆเพียงแค่ไม่ฆ่าไม่ใช่เลยตอนนั้นใจจะมีเจตนาด้วยมอถือ นึกถึงรกระแสชีวิตแต่และบุคคาก็ชื่นใจอ๋อเราได้เราได้เราได้ความความปลอดภัยในชีวิตที่สะอไป้ย่างเชเนี่นนะนนนยที่ยกบานก็นได้ถึงวา่วาทานชื่นใจนะท่น้ได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตไม่มีจิต่ติดายน้องไม่ยอมีอม่อยู่ความสุขเลยเพราะจะปลอดภใจจิต อาคิดถึงยอมก็เหมือนกันาแค่ชื่นใจว่าฉันได้รอดเว้นจากการฆ่ารอดเว้นในการเปลี่ยนเบียนและใจที่เป็นน้องไม่ยอมมีความสุขมีอายุีอาิถึงยอมก็เหมือนกันเนี่ยถ้ายอมได้มีความสุขอายุดีไม่มีจิตที่จะฆ่าไม่มีจิตที่จะเบียนเรียนและแต่ละคนคิดไปแต่ละคนแต่ะคนนะสภาพใจที่เป็นไปกับาชื่อใจที่เราได้รอดเว้นจากการฆ่ารอดเว้นในการเปลี่ยนเรียน เมืเ่เจะการคิดภาษาอยูแ่แล้วนั่นเป็นปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นเป็นพวกมีความสุขในยืนยืนก็จะโรคภั์แทบสิมีชีวิตือ่อย่างเื่องนี่ศีนเกิดขึ้นแบบนี้นี่เราถวายเราจะบูชาแบบนี้ใช่มันต้องเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่ทื่ทอๆนะทุกข้อต้อเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้หมดนึจะเป็นการระทศีท่ถู้ ใจตรงอย่างนั้นจริงๆตรงปมใจเราเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆเช่นว่ารัพุงโย่ก็จะเป็นพุงยไม่น้อมที่จะรับุงโยมาเป็นพุงเียด้วยการเห็การชมโวยรางกายังหวาหรือด้วยใจก็ไม่คิดน้อมมา้ปราจากห่ายโย่พวกมั้นไปสับมีความสุขมีความสุขปุ่มที่ซับสุังตลอดจังตลอดไปอย่าปล่ยไท้นวเราทำใเิดชี่เป็นรับไทย แล้วก็ยอมเป็นบุตรเป็นภรรย า, าที่สาธีเนพี่หัวใจให้ความปลอดภัยในบุตรในภรยาไม่น้องบุคคลอื่นมาเป็นธรรมเนียมไม่คิดทาผู้ครอบครนวมีฝ่าจะไหนจะดีบุคคล น, นี้มีความสุขอายุยืนสมานสมานสามีมีความสุขในครอบรวมีคแลกกะก็กาววาจาเขจะพูดทับทิ้มคำที่เป็นประโยชน์ พูดถึงการพูดในเวทตายังไม่ให้วาจาที่เปินมาละเมิดสิทธิขั้วเทียมองค์ทรงต้องนดกไม่หัมีฟัง ส, สุขการที่วึกฝนั้พฤติกรรมนั้นทางกายทางใจและอาชีพไปสายขส่วนตัและแไม่เอาของเงาเงาใสในกระแสชีวิตเพเรียนได้ลกลืนกนมีสติเสจะแยกกับตัวเองตลอดเวลาไม่รูมาไม่ ผมก็ใช้สิทธิ์จะแบบนี้ยังไม่จบเลยยังมีอะไรีกพระองค์ก็ไปถวายรายงานพระเจ้าวนนี้เราเวลารัทธาถูกต้องจริงจขอพระเจ้าสำรับสร้าพเจ้าเป็นบริษัทคือบริษัทของพระเจ้าเป็นพวกบิษัทเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้สามาศึษัญญาเป็นพวกวิสิงเป็นกสัยะตราถนายเตสัตรู้เดินตามรอยบาทพระศาสา สอนน้อบูช า, าบอ้ว่าบจาจะเคลื่อสักการะเหล่านี้ในการถวายบูชาที่เราจะเป็นปัจจัยเคื่อนบูจาจะสู้ทำอะไรก็จะหมดทุกขออญญ์เขาทำอย่างนี้จะสู้ทำอะไรคิดอย่างเง้ยมีชัดไหมเนี่อย่านี้ไปตรงขอบกระดานจะนด้ยิ่งย้ายไปทางซ้ายมือที่ ไปแล้วมีความสุขไม่ได้ไปเจอทุกยากกรรมเลยนะทุวันนี้ที่ผมใช่ไหมเราจะเดินตามรอยบาปภาษาสุนทรเราจะเดินตามศีลทุกยากกรรมเาจะเดินตามศีลกาวสําหรับที่ทํายาเราจะเดนด้ยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิทุกางนี้เป็นกาเดินโดยประทักษมีความจริงใจกับพระองค์ทุทําใจได้ไหม สุนสมาธิก็เกิดขึ้นเมัเป็นอย่างนี้าไปชำระตัวเองให้สอาสุดจุดแลวว่าเนี่ยข้าเจ้าจะต้องเป็นสัติสะอาดที่างพระเจ้าอะไรทำให้เป็นเป็นสัิสุทกปรราค์โทรศัมอคค์ี่ไม่สกปกเราจะต้องเอาความสกปกออกจากกระแสีิตได้เราจะต้องเป็นสัติสากางระเจ้าไม่ได้พระเจ้าทากระแสชีวิตสอาได้คมเตอร และต่อมาพื่อจะใช้กระแสพลิทึ่งสะอาดโดยสะญญูดเนเ่องจากมหาสมุทรคือโปรพิเนยาศาสที่เขาจะช่วยให้ความทุกข์ทำพยาศาปตายให้สะอาดโดยสุญญานเจราเป็นหนึ่งเนะจะต้องสะอาดโดยสุูดตามภาษาศาสนาจะไมบจบนะเนี่ จริงๆที่ปาตัจะรูของพระเจ้าจริงๆทีแรกจริงๆะที่ที่ทุกคนจะเป็นใในองค์เมตตาที่นระธาข้างหลังก็เป็นโที่ประธานตึโงก็นแต่แท่นนี้เขาทับไดที่ ไม่ข้างไหนต้นโพต้นขยกไปนิดนหน่อนทางนั้นไม่ได้มีพุจะเจ้อย่นโพอยู่ประมาณแล้วก็สูส้มาสัญลักษณ์อาตัดเสาโสกไว้ข้างหน้าพูนเมตตังตอนนั้นตอนนี้มารายาหลังก็ถูกตักดออกเสาโศรอพอตูนตัดออกก็พวกไปหินดูเพื่อมาทำเจดสิวิงว า, ามามาทาสัญลักษณ์สิวงนงองในข้างหน้าภูนเวีตั แท้จริงตรงนั้นที่ม่านักตรตตรงนั้นที่เป็นักานจริงตรงนี้รยทั้งหลายตรงพุทธเจาระธอยู่ก็คืที่ปริญานั่งประทัมนาสภาษณ์กจริงจริงแล้วอยู่ เขาที่มนไปที่ไปถ้ไม่ที่มนไป่ใจไปอรเวลาที่มียาออรงมก็ทําทุ่มจึงมันมก็จะกโรงท่จะว่ามจะมาเขาออรมที่ประเทศไทยัปส มาเจอทางย่าแก่งนี้ย่่แก่แล้วตัวเดียแต่เรดีเราดีใจดีจะมาไปมาชอบที่จะไปดไปเชียรายมานอนเพอะไรเราะว่ามาเสียงุา่มากกว่ามองไปที่ไหนมาเสียนาเนียีง เข้ามาอยู่ในความรู to to go, ้สึเขามาอยังนอนแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเรานั่งรถไปที่ไหนเขาไม่เห็นเราก็เห็นภาพนี่ยดีสุดๆเหมือนเข้าไปวัดเวฬุวันวัดเชตวันไปที่ต่างๆเนี้ยภาพภาพปรากฏหมดเลยทุกๆุกๆุๆกๆเห็นหมด ในในเชตวันก่อนหน้ า, า, น ท, าที่กุฎิเจ้าจะไปไปทำใเชตวันต่นนั้าพระเท้าไปทำที่เวรุวังเวรุวังการณ์การทิวาปสาสาทวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายสมที่มีพระเจยาเป็นตนาา้นเป็นวัดที่แรกในภริสารส่วนหพระเจ้าพิมพิสารท่านกล่าวท่านน ข้าขอตอนที่ท่านเป็นราชกุมาหนึ่งขอให้ตนเองได้ลบมาถวอยในพิเศษเป็นพรเจ้าบิณในแฟนบางคนสองขอให้พระทหารสัมมาสัมพุทเจ้ามาในแว่นปรียบสามสุด้ตนเองได้ยื่กนการเข้าไปเข้าใจ้นังกายพันธงสี่ช่วยพระทหารจนแสดงธรรมครบห้า ขอให้ท่านรู้ว่าถึงทำทุกตารังเมตรโซเซเลยตั้งอธิษฐานในจิตเลยห้าข้อเราไปในที่เวฬวันก็จะไปตั้งบนนั้นไม่ได้นะตั้งทุกข้อเขาว่าแล้วที่สุดจริงๆก็ความประาดทางานถ้านจะไม่กดไหมสมมสิกดทุก ข, ข้อเลยจะเป็นจะเป็น ด, ด, ดีพริเจ้าเสด็จ เราจะเข้าไปเข้าใกเพื่อได้ฟังธมแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่ พ, พระพระเจ้าพิมพิสารมอบใหบริวารบรรลุบรรลุที่รัตทิวันเสด็จตายนอกนอกข้างนอกมาอยู่นอกบริว า, ว า, วาที่ทตร ง, งนั้นเน่ยเป็นข้าพรุทธเจ้าท้องได้บริวารข้าข้าบริวารสิองหน้นหกหนึ่งหน้าหก็คือหนึ่ง สิบสองหน้ ห, ห้แสนสองฟังพระเจ้าสแสดงทานสแสดงสีสแสดงผลข้องทานของสีสแสดงเรื่องกามาุูนทอดของกลางอานิสงส์ของการ อ, ออกอออกิจกรรมออก็จิตอนยนเป็นสมาธิพระเจ้ากาแสดงอริยสัจทุกสมุนไทยนี้เลพระเจ้ า, ษษาเป็นวิสาข้อมนตรบริวารสอด้าหกได้บรลุปเป็นพระโสดาบันเท่าไรสเอดหน้าห แสนหนึ่งหมืส่วนอีกนึมืขอถึงใจสัตวินักรเขาไปรู้กันเยอะไแสนหนึ่แต่ไีพวกโยอยู่แล้วใช่ไหมเขาไรู้กันอรทีนี้หลังจากไปรู้แล้วพระเจ้าก็แบบพระเจ้ากานิสารกัเลยแล้วก็เลยถวายส่ว เวลู่วนันเวลูวันป็นอุทยานเป็นอุทยานธรรมชาบิิศาถวายเป็นวันถามว่าอุทยานของกษัตริย์มีงานไหต้องตกแต่งอย่างดีไหมสวยงามมากกว่าปิศาจกษาริย์นนยังไม่เปนจ้ตกแต่งอย่างนี้อ่ะนั่นคือวัดที่เขถวายข้าอาุนะตอนนั้นก็ไม่มีคนติดก่านแต่พอมาระยะหลัง ราจกะณาเศรษฐีราชกุาเศรษฐีจเป็นเพื่อนเจริญการอนาถาปีนกาเศรษฐีราชกุาาเศรษฐีเนี่ยก็เลยสร้างวิหารหกสิบหลังเพื่อต่อย่างนี้เป็นต้นเวลาเรานทีนี้สาเหตุที่พระิยาจะไปที่เชตระวัตรถ้าเราดูแล้วเราจะได้มองข้ามบททั้งหมดได้ในคาใจทีนี้อนาถาเนี่ยชื่อสุทัตต์งเศรษฐีเนี่ย ท่านจะต้องนำกองคารวะของเปี่ยนห้าร้อยเจร้อยพันเงนเปี่ยนก็คือเป็นพ่อค้ามาแต่ละครั้งมีหลายเดือนเดินทางมาจากโกศมาที่นครทีนี้ระมาเนี่ยด้วยกองคารวะตัวเองที่ใหญ่โตมาหัวเวลาเข้าหมอนไม่ได้ก็จอดนัง่งอยู่ตนเองขี่มา้าเข้าหมู่พอมด้เรือรก็เป็นอยูีตลอด จีนี้มาข่าวหลังตอนที่พระเจ้าบัตรเกิดขึ้นแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในกลุมราชพฤกษณขจากใหญ่ถ้าเรียกคนคนได้เปีนรู้ทำมากๆจากที่เป็นบ้านที่ไม่เจริญรุ่งเรืองก า, านได้ลืบทอดทำ้าหลายการที่แานก็คือว่าตั้เรือไม่ต้องเปิดประตูโจมทุกท่านเขตั้งม้านในในสีเพราะท่านควบม้ามาพร้อมในบริวารเขียนความเปลี่ยนแปลงขในบ้าน ตกใจ น, ะนีอะไรเกิดขึ้นข้อจริงๆแล้วกองคารวานเวลาวลไปที่ไหนจะต้องมีทั้งทหารตำรวจคอยควบของโจรสลัดเยอะๆแต่มาในเมืองไม่มีเอาเรื่องถึงเด้นเรื่บ้างเมืองอะไรเป็ขึ้นไปที่ไหนก็เสียงศิลปุกตคุณเสียงเพลงพุทธคุ ณ, คณตั้งตึงกก็อิทธิวิโสฟังวานีคนเอาไปร้องเพลงกันเลยเนะีทั่วประเทศ สียด็กตัวฟังแล้วตื่นเต็นก็ไปที่บ้านก็าจ้าห้าเสด็จมาจ้าหนเสด็จวลแต่ก่อนหน้าเวลาเพื่อนมาดูตอนลกลับสูแต่มาครับเนี้คุยนิดหน่อยแล้วก็บอกว่ามีห้องให้พักนะแล้วตนเองก็โผไปจัดแจงทกิจกรรมานึกแปเอๆใจพี่ทำอะไร่อนนั้วจง่วงๆก็ถานอะไร ก็อกวันตรงนี้พระเจ้าความดีสาวกแสดอได้ยินจะบอกพระเจ้าเป็นไงใจไปติมารวดแรงล้นแรงยอมได้ยิน่าพูดเจ้ายอมเก็นวิธหรือว่าม่วงทันที เนี่ยโคโคโกันจะไปเที่ยวตรไหนนะเขาปิดปม่ว่ากน่้าปูกจะเทีนี่เขาเรียกว่าจะมีเขาห้าลูกแอ เวาลาละเวปุระอิสิทธิ์เวปวุระกิจตุเวลาชีพ ช, ชักเป็นเงินที่พวกเขาฆาพวกเราวันเวรวันยติอที่เุทนานต้องทีนี้อนาคตอยู่ ย, นนาายังพอได้อยู่ในปรสาทของรา ช, ก, าชกิ อุเกาเาม่มีสูตรห้าร้อยเป็นเรื่องธรรมชาติมาช็อคือนั้นต็นอนขโงงนอนเป็นทั้สีทุกเตืนขึ้นมารู้กี่รอบเตื่นมาแสงสว่างเกิดจิตตาหมดสว่างตลอดเห็นสว่างมืดๆก็สว่างใจสว่างมองเห็นเราไม่เคยเกืดแสงสว่างเป็นเอรรมชาตเเย็ไม่เคยมีจิจัดจังไร นอนต่อไปนี ite, ่ตื่นไม่้กี่รอจะถึงปีสองผมทำไม่ไหวอยากจะไปฟาวไยาวแล้วเตืนนนปรตประตูเปิดให้ประตูเดินประตูออกนอกเลยก็ออกนอกเินมันจะป่ายช้เป็นเหยียบก็ส่ตกใจเลย สแสสงเลยทีเียวที่คือวันีน่่ถ้ายังรากลับไหม <c oughs> นี่ก็วันที่ B4 อาจารย์นุช็นเทวดาที่ก็อบอกว่าหนึ่งต้าที่เ้าไปที่รอบทีโโม่มีค่ามากกว่าได้สักมาหารอช้าห5 0รแก็บ บริว า, าราอย่างานั้นเขาทราบอย่างนั้นามีค่ามากเพราะทุกจาก้ก้าวมัน ก, ก็จะเป็นครอบครัวเดวันมันบวกกับการที่จะไปไปตลอดเวทุกคนมากที่สุดเป็นบุคคลที่ควรชอบไาแม้จะมีพลังรแม้จะต้องเสียงชีวิตกคนรที่จะเดินรอบครัวทุกย า, กน า, นางกาวจะทอาตมาเป็ น, น, น, นปเดินขึ้น ไปว่ารอยตัดต่อที่มาที่อันี่ที่สี่ามาเดินขึ้นไปหกชั่วโมงทุก้าวจะถูุกชองสี่สิบห้าองศาขึ้นมาลึกเจ็ถ้าขาขาตั้าเพจะทำอย่างไร ถ้ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็จะการจะเกาะกนปเานรถการเดิน6ชั่วโมง7ชั่วโมง0ชั่วโมงก็จะทาให้สัาวอิสลใชายาทมาแต่ีนี้ข้อหลังจากนี้ จสา ม, มารถทำลายความกลัวได้เสงสว่วงขึ้นกลับเป็นอยู่อย่านลอดจนสา ม, มารถไปถึงเวทดวตอนนั้นพระเจ้ารออยู่เจ้าพเจ้าเสด็ดจขึ้กอเห็นแสงสว่างจากพระเจ้าเสด็จขึพเจ้าถาาสุขถากถามารีถากถานี่ที่ เ, เว ดูดูดูแค่ไหมองดูแค่ไหนไอสตที่ำแบบนั้นคือแค่ไถ้าหากคนเราเป็นปรามีมายี่สิบประศรีกที่ด้วยแสงน้ำกับเพื่อบุคคลที่ถือนั้นเลาเรามีความทุกข์ความเดือร้อนเจอปัญหาชีวิตที่ชีวิการาได้ทำให้เจ้าไปเจ้าจะอยากทุกข์ไหม ดับทุกมามนจเราพระเจ้าจะทาให้เราเป็นคนากความโศกความราทีความไมสบายใจความไม่สบายใจบางทีพระเจ้าสอยดูแลาท่เราไม่รู้สักทางพระเจ้าต่างหากให้คุณฟังดวยใจท่านจะฟังเมื่อท่านได้บรรลพอมารู้เสร็จแล้วท่ประกาศปาศด้วยจแสงห้ัดที่ร ค่าชางพระเชาติพระองค์ขออันรารสดงสจธรความดสุดคาพระองค์จับปัญหาคือทำศาสนาพร้พุทธเจ้าใี่เจริญรุ่งเรืองในสของพระองค์โปรดเอาใทาคาตอพระมุ้ลิมที่จะรับอานางดีวกั นี youth, ่คือความเป็นที่มาการดิษิทที่ใส่แล้วท่านจะรวมงานไปก่อนกับกองชาววันกับทุก1ิกิโลสร้างวัดวัดหนึ่งทั่งท่ถอดได้ครัาทำถนนด้วยแล้วก็เงินทำถนนตั้งแต่ราชครุถึงสาวิตทุกหอีกทุก16บกกิโลหนึ่งวัด1ด คุยยาวความเป็นพ่อสอเรื่องะไรบ้แล้วก็สื่อสคนไม่เคยเลประกาศขาวม่เคยประกาศอะไรเลยประมาณส2่สองายุคปีในปัจจุบันนี้ไม่ได้คำนวณสักทีจบเลยยุ สิ่งที่ทแต่ก่อนจะทำวิทีนี่ไม่เรียกวัดแล้วก็พอไปถึงที่สาวกทีท่านก็เป็นอาธีก็ไป่งคุยกับเจ้าชื่อที่ป็นรูจะกลัมา จ เ, เจ้าเชี่ยนุนตาเลยเพาะว่าจะเอาค่าคะาแนนตองทำประตูแต่ผทยามพม่ชิดว่าจะมีคนมูสน้สักก็จะยิงจากนปรอยห้ารยเลียนคนวนันน้ของฉัุกบปุได้ขึ้นหนึ่งลเจ้าเชียงไปเห็นสั่งห เราไม่ได้ขายไม่ขายก็เทียนเงี้ยหนึ่งอีกเลยจึงรอได้สามาที่ไม่ได้ไปดีใจสิตั้งนานกรรมการก็จะกลับมาที่ไห น, น, น, น, นเสร็จอะไรทำก็จะพูดก็เปลี่ยนการก็ของกลางโอ้กันแลวอะไรทำโอ้าอ้โอ้เช่นก็ไปขอร้องบอกว่าต้องซุมประตูสีด้าน ขอเหยียดศอกไม่ขายนนาจะยิงปราถนายศทองและต้นไม้ทุก้นไม่ขายปรานถนายศทองอย <c oughs> อู่ น, ยนี่นะดน้ทีนี้จึงเป็นที่มาของวัดสองพร อ, อัค น, นาอาิตกสัเชตวนาเชตวณีอนาถิกาสังขา น, น, นาาาาลละน วัดที่มีสองเจ้าขอที่ของเจ้าเชีย่ยกับาาอาณาจักรนี้เพื่อจะได้เป็นนิตรตีตัวอย่างแก่อาภิชญ์ชนรุ่นหลังถ้ามีคนจะมาขอซื้อที่เพื่อจะสร้างวัดให้ทำของเจ้าชีย่ยเงินน้หมดที่ขายเอามาสร้างสร้าประตูมาสร้างโรงทําไมเอาเข้ามาเกิดแล้วก็เรียกว่าการส่อง ฉะนั้นวัดนียจะเป็นวัดที่ท่ามองท่านนับ8่ร be ีสานแปดครีาน uh huh. yes yes, like. ี่ถ้าคำนวณปัจจุบันก็อยู่ประมาณ15อยาสต่อสองวันณทีนสก็เป็นวัดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่ก็สองวันสองวน ้ีนี้ที่ตรงนี้แหละพระเจ้าจึงราปักหละนะักที่ตรงนี้และอยู่นานที่19าวันสที่เชโดนและวก็ที่ปกพาลาวิคมส า, าจจอยู่ ใ, ใกล้วว ก, กันรวมไปเสร็จพระสาวกีเพื่อเจ้าจมาราที่ยีหาวันสฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาพระเจ้าทั้งเทศทั้งสแสดงทั้งมาอยู่ทหาสาวกอาเสาวก จะเป็นกองกำลังของกองทัพธรรมขนาดใหญ่ในการที่รีาทาารัพมากองทัพธรรมลุกฝ่าที่เลสทำให้คนได้บรรลุจากประชากรในสาวัี7เจสิบล้านห้าสิล้านห้าแสนได้บรรุเป็นฐานเป็นื้ น, น, น, น ท, ที่หนาแน่นในประชากร สิบนะสวันนี <Wed. S 2> ้วัน <But, inappropriate. S 2> like ่ก็จำภาษาดูหลายภาษาเหมือนแต่ซื้อยางนี้ในช่วงออกภาษาจะมาพักก่อนจะรักษาอยู่จะได้ภกษาที่จำงานที่สุดคือเชียงใหม่ท่านพระเจ้าไปแต่ว่าจริงจแล้วกลับไปกลับไปแต่ที่จำภาษาเยอะที่สุดก็คือเชียงใหม่ท่านี่บงบอกท่ไหน นาจิการเสษฎก็เป็นอูปาสพขึ้นฝูงกำลังนางวิสาขาก็เป็นฝูงล้มเทุกขันวังเะ่การรัาภาพยยวมา ก, าากาาานะมีเรื่องเกิดว่้นที่เราไปมองรับเวลาเราไปที่เชงวานถ้าไปเราก็จะเห็นไปิด น, นินน่เราไปที่พักทันมหาคันกุฎีกุีที่ตรงนั้นพุองเจ้าแสดงธรรม ถ้าจะมีบุคคลเข้าเฝ้ า, น า, นนานนในระยะหงพระนอในพักทรรนาคบดีมหาทานนาคบดีนั้นพระอนอยจะเตือนรอลกพระทรนนาคบดีถาวายเป็พุทธ บ, บูชาด้วยคอยดูแลพระเจ้าเดียววันละ19รอบพระเจ้า คอยตักน้ำข้าน้ำจางชูแรงระยะอะไร่างที่ตรงนี้เราไปเราก็เป็นเดินให้ได้สัเ ก, ก้าแ ล, <c oughs> แล้วก็ในวันมีพระเจ้าพิีอนะนะตอนนั้นท่าานังน้งเลงพลงอยู่ที่สุดๆกลับจา ก, จากอุสินารามาจะาเช็ค ตอนนั้นไม่มีราค้าอยู่เล้ามีแต่ดอกไม้แห้งคนมาบริาตอนนั้นชมค้าก่อนที่เกษตรกร้านย่งมาแล้วนะอัดกว่าจีบถูไปล้อมมาทำจะเข้ด้วยการผสงผสานการตัน้ำงน้ำเช้าเพื่อถึงเวลาพระเจ้าสงน้ำป็ไปทว่าถาจะเข้าบุญ เวลานี้เป็นเวลาสมองเวลาการเรียน้าละทำขงสวุกขทำประจุเหมือนหัวใจจะจุปรเวลานี้เป็นเวลาแสดงเวลานี้มีผู้บริษัทกลุ่มเข้ามาก็จะเปิดข้ในเปในคาก็จะเนคุณค่าที่เชื่ก็จะเป็นค่าที่ตรงนั้นเป็นเป็นที่ที่ ถ้า น, นได้มีวิตที่ที่เคยดูแล ส, สววดพร า, า, า, า พ, พระเจ้าาทสนีัุษเป็นหลักแล้แต่ตวงทพระเจ้าอย่ในสม เราเราจะได้เห็นภาพว่าท่านทำไม่ได้ hehe, kind of mum, ทำให้ฟังท่านทำเพื่อบูชาท่านเพือทจอยู่ในฐานให้พระทำท่านก็บูชาพระไปบูชาบุคคลเพื่อที่จะบอกว่าดูก่อนการนำและวินัยที่จะมาเพื่อแสดงและประหยัดเลยทำและวินัยจงเป็นศาสดาเถิดและการที่ไปหนึ่งท่านเดินตามเพราะวินัยก็บูชาท่านบูชาท่าน ยักตอย่างเช่นอย่างนี้ดอกไม้ของหอมเครื่องสการ์ที่เราทํำนี่เป็นวินัยอริยวินัยแบบอย่างของอรียชนที่เราเอาดอกไม้ของหอมเป็นบูชานั่นเราทําตามแบบอย่างนี่ผ้าเอวยของหอมเอวยดอกไม้เอวยถูกเชียนอะไรว่านั่นเราทําตามแบบอย่างแบบอย่างอริยชนที่เป็นวินัยนั่นเราบูชาวินัย ในขณะที่เราทําไม่เหถูกต้องดีงามอะไรก็แคนะ่แต่ทําไม่ถูกต้องเลยนะยเป็นวินัยแต่ถ้าใจเราตอนนี้ของผู้น้อยเราต้องสร้างอะไรเรื่องในเข้าใจว่ามันได้แค่นวินัยจะไม่เข้าถุดธรรมเพราะเพระพื่อเจ้าต้องทั้งวินัยนการทำแต่ท่านในขณะที่เราทำได้ความเชื่อมได้ความ ก, กลา้าหาญได้สติได้ความตั้งมันน่นย่างได้ปัญญารู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ได้สองส่วนทั้ทงธรรมะและวินัให้เราบูชาพระเจ้าทำบูชาได้สองส่วนหนึ่งวินัยก็ไม่ไม่เกี่ย้องสองธรรมะก็แท้จริงก็จะต้องเห็นนะครว่าตรงที่สาคัญมากว่าคนก็ได้เข้าถึงธรรมะแค่สติบางคนก็พัฒนาได้แ่เพยงบางคนก็ได้ถึงสติบางคนก็ได้สมาธิบางคนเข้าถึงธรรมะถึงปัญญาสิ่งที่สาคัญที่สุดคือปัญญา ปัญญุตลาสักเพิทมท่านทั้งหลายมีตัญญาเป็นยน่อกมีตัญญาสุดสุดนี่นะครับนั้นต้องได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งธรรมะและวินัยพระพุทธเจ้าบอกว่าทมและวินัยจะเป็นศาสนาถึงถึถ้าเรารูเราทาถึกต้องวินัยแต่ว่าเรากำลังบูชา ว, นวินัยระเรียกแบบแผนว่าถ้าเราเข้าถึงธรรมะด้วย ทั ia, ้งศรัทธาวิริยะสตุสมาที่ปัญญาลิสิงสมาที่ปัญญาด้วยอันนี้ได้ทั้งหมฉะนั้นการเข้าวเจ้าต้องให้เข้าถึงทั้งสส่วนทั้งธรรมะและวินัยก็เกื่อนกันเกื่อนแต่จริงๆก็คือว่าในขณะที่เราทําให้ถูกต้องตามวินัยเนี่ยเราต้องมีปัญญาู้วยมันก็เป็นธรรมะ ต้รู้และเข้าใจในการทำไม่ใช่ทำด้วยมุมหายถ้าทำด้วยความมุมหมายทำด้วยความไม่รู้ทำด้วยความไม่เข้าใจมันได้แค่วิัยเหมือนยอมขับรถนถูกคนจราจรแต่เครียดยาเวลาเคยเป็นไหขับรถย่งไอถูกเป๊ะเลยนะคนจราจรก็หยุดจะหยุดก็วิ่งกวิ่งเหมือนแดงเส้นเช้าผู่เลนการใส่แว่ไม่ได้หรูอถมก่อนเลยแค่วินัยได้แต่ าไม่ น, นเกมทุกมิตรคันเรียนได้รับได้ถึงได้ถึงพี่นายจะได้เดจอจได้ได้เ ม, ด ม, มเวทนาดในศายใศาสนานะต่อนนี้พริรยามาอยู่ในฐา น, อาา น, นะอิทาที่นั้นให้เราได้สอบแต่ตัวเรียบร้อยดีนถูกต้องเป็นพี่นายมีมของของมีเสุจาระทั้งถูกต้องเป็นพี่นายแล้วรู้แเข้าใจเป็ะ แลท้ทำได้ศรัทธาทำได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญาด้ธรรมะิ่พัฒนาทั้งสองส่วนทั้งวินัยและธรรมจนเข้าใจอย่างสลกซึ้งจนเข้ามาเป็นเงือเป็นตัวไอ้ราเข้าถึางธรรมะยยากเลากเนบางคนเราก็จะมาไปแล้วเป็นกรณีศึกษาแล้วอีกบางคนอู้ทำวินัยดีแล้วกทั้งเคีดทั้งกง้ทั้งเจ็บจิตจื่อ ท้่เราบอกโอ้เข้าใจแตนไม่ได้ทำคนโอ้มิตกังวลมองกันเลยสาร้าพว่าไปเป็ไปเันานะสั่น้สกันหทะเลาะกันมัอจารย์ต้องสิ่งสัญคนที่เป็นหัวหน้าต้อง่พูดให้เขาเู้าใจเรว่าใีกลุ่มที่ไปเนี่ยเราจะไปปรอขึ้นทำอะไรกัน การปฏิบัติต่อการการพูดจาต่อการการเลืนเพื่อเผแพ่การเป็นวินัยการที่มีจิตใจพัฒนาต่อการมีเมตตาต่อการเป็นธรรมะันต้องมีการเข้าถึงธรรมวินัยในการเป็นปา่วมกาอนนะถึงจะไปเข้าบริพุทธเจ้าถึงพพุทเจ้าไปตอนหลังพวกเรานะือเราีไม่ดีไม่ทะเลาะกันมาพระพุทธเจ้าไปตอนับนะพระพุทธเจ้าก็อย่างเช่น เช่นพระ ท, ที่โกที่พในในระเจ้ามีเขมีได้บ้างก็รจะพา้าเจา้จาพระเจ้ามีเาะฉะนั้นพวกเราจะเปเข้าพุทธิยาอข้ชัดแจ <c oughs> ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพระเจ้าพุทธเร้ารับพวกเราต้องต้องพุทธเราจะไปข้ญญาพุทธิย่ต้องมีการสามัคีอย่างฉั้นต้องมีวจีสามัคีต้องมีจิตสามัคีเพื่อจะไปสู่ธรรมาสามัคใช่นะ กายสา ม, มัคคีในปฏิบัติต่อกันในที่เีื่อตีสามัคคีพูดจาด้วยความขอบคุณและ จ, จิตจะสา ม, มัคคีมีใจวิจารหมายร่วมกันแล้วก็ไปสู่ธรรมะสามัคคีหรือปัญญาสามัคคีด้วยมรรมะาองเนไหรยงี้ยถอยนันชื่อ่ทุกคนจารหมายร่วมกันคือต้องการไมบร้อารทจะช่ารได้ด้วยน ยังอื่นเล็กน้อยอย่บ้างลำบากบ้างอะไรางโอ้เป็นเร่องเล็พรเราไมจดหมายคือใครเราจะดูให้เหนจดหมายทุกคนต้องจดหมายทุกคนไม่เห็นจดหมายย่งฉันบอกว่าไม่ทายกันมาทุกทีตอนนี้ห้าคนได้จดหมายรวมกันได้ยีอสิ25 เราก็ไปพูดเลยเราก็ไม่มีจุดหมายจุดหมายว่าเรามีจุดหมายเพื่ออะไรที่ไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าจะตั้งบริการกันี้่อะหมีจุดหมายเพื่อไปอบริจาคเพื่อจะไปสร้างเงินปัจจัย่ิาทุก้เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติรหนึ่งวินัยสองทำหรือมาก่นต้องมีทำมาต้องมีต้องมีความเชื่อมั่น ต้องมีความเที่ยวกล้าต้องมีสติกำกับมีปรตต้องมีสมาธิความตั้งมั่นอีกางต้องมีปัญญารู้และเข้าใจแล้วก็เดินตามวินัยนี่ยังถึงต้องมีก็ธรรมาวินัยคือภาษาสระของเราฉะนั้นเราจะต้องเข้าถึงภาษาสดาในฐานะธรรมาวินัยให้ลึกซึ้งให้เป็นและเป็นตั้ได้มองเนไมยากใช่ภาษาสดาในฐานะวินัยธรามะในไหนเข้าถึงได้ยาก เราดอกไม้กทีเย็นไปง่ายเลยเราดอ ก, มก ไ, ไ, ไ, มด ไ, ไม้ไปวาวางายเห็นใจนมันได้ไม่ยากหรอกแต่ารศัทธาที่จะได้คือความแที่วกล้าความอ่านมีสติระลึกพิจารณ์มีความตั้งมั่งมีปัญญารู้และเข้าใจโอ้ยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องฟังให้เคยฟัง โอ้เลยเลยดิทิวไปแล้วทำยังไงก็ปังเสร็จแล้วเวลาใครทำเป็ถุงจะได้คอยจ้องจากถุงเข้าไนี่ด้วยเปล่า่ใช่จะเปไหนดีวะเขาใช้ยังไง ยังไงนะยังจะตัดอยู่ที่ไหนกันนะที่ไหนกันนะี่ไหนกันนะที่ไหนันนะที่ไหนกันนะที่ไหนกันะที่ไหนกันนะทีหนกัที่ไหนกันนะที่ไหนกันนะที่ไหนกันนะที่ไหนกันนะที่ไหนกันน เตนะสาวยานะตุโภะคะวะภูเวนะยานุภะคะวะนะสุภาเรนจาราญติโกโยคาโมเรภะคะมภิกษุภะคะวะโอ ยัเลี้ยงก็ย yeah. ังคุยกับเลี้ยงในตับไ่ระเทศ่เยงก็ยังทำเรื่องอะไรอีม่เสร็จไปโอ้โหโอ้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ เขอกวนี่พักด็ที่มานี่ตอนนี้ก็ส่ โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชม มีที่ ช่วยน้าเลี <size> ้ยงไว้ให้สามคนอ่ะหนึ่งันบาทเส็จ ทำใจแต่ละคนแต่สน่งที่ ไม่ใช่เลยฮ่าฮ่าฮ่าโอเคโอเค อยากเป็นเจริญ hmm. ก <c oughs> <CROSSTALK Cole> ุศลในเทปที่ตอนนี้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มเริ่มอยากเจริญกุศเพราะว่าในไม่คือได้เยอะมากกว่าตอนแรกเพราะว่าเวลาอะไรอยาเงี้ยราม่ได้มาทำเช่น้นทุกวันนี้คุณเดือดกุศลอยากเป็นกุศล อะไรที่ให้ทำเล็กๆถจะเป็นยุคฟ้าที่มาวยาให้อยู่กันทันสองร้อยห้าสิบคนติามรักษารเนประัตินาสตร์ช่วยสรุปให้เข้าใแล้วก็ใช้บาสาบาลีบาลกเป็นอันตรายวันจริงฉั ต un, ium, okay. re ังใจจะีเ่ยนได้ีล่นสอนนการแล้วก็จสร้างสีเป็นรั้ย่ามเป็นหอดกสัเตไเียจะไปทางนีย อาไปทีสัตยาฉันจะไปศีลเพราะที่ศีาจารย์มีคุยเ่องอะไรอย่างเงี้ยที่สัตยาไปชาเรงทีนี้กไปเคุรก็ไปไปก็สอนสนตเลย เข้าเปฟัง ก, นะกุศียงเย็นช่ไหมับใชะไปก็ยังดังท้อ ต, าตา่หมีเพียงหนึ่งเดียวนหนึ่ง้องหนึ่งจุดหนึ่งทีนีนน้ต่อมาเ้าก็ไปที่อีกวัดหนึ่งเป็นสมนึกเรนเป็นสมนึกเรีนเป็นบูชา ดู่านท่าเป็นศินาสรงทาง่่จไ้ทนจ้บรมีดูท่่านเข้าที่อง้องดู่เจ้าเขาดกนก็ม่าใคร ท่านก็เลยสั่งให้ใช่วงที่จะาำก็เลยเขายนทุกชื่อที่มีกาทเราขียนไว้สองคนแต่ที่น่าแปลกใจคือในรที่้องแบบจถูในคือถ้าเราไปฟังเาเต็มมดไปถอจะ้ให้หายพาว่า ดีของารที like> ่เะาวายไม้เทียงแค่ตัวแตจะจัดหาทรายยาในทุกท่าสารจะสองอย่างอย่างดีแล้วก็ม so, um, ีน้ำมันและมาสีขาวแขกี้มาในตักเตะโราบ แต่สมัยเกียวแก้ม่แต่ก่อนก็จะมีรัตถุที่กีย้มแสดงแก่จักรีาเป็นต้นแล้วไปถึงศิลป์ที่แต่โบราณคดีโาโบราณวัตถุที่เกี่ยวแ่กันทำอปัจจุบันยังมีคนจองเปนเยอะมากเี่ยวกับงานในศิลป ที่ฉันกเลบอกว่าเราจะมีโอกาสในที่ร้าน่รานีขราเรา้ว่า แต่ยงใจว่าจะได้ฉัสน้วกบอกคแล้วก็เดินทางไปเขาสกหน่อันไปขึ้นเขาชาไปเเรื่อมาสโทนเรเี่ยได้เนส เด็กหนุ่มมาสังตาซึ่ก็เรียนโหทีนี้ทีนี้ที่เกี่ยวกัอะไรจะเปินกันบ้าเราจะไปเรียนฟังทย่ไหนบ้างไหมถั่วอะไรใจดีใจดีกี่วัน ไปเนื้อกลางนี่จะเจ็บเพราะว่าที่นี่ละกันจะไปตรงนั้นจะเจ็บที่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือลัืที่แม่บุญทีก่อนขั้นใจและพอมาอะไรเนี้หลังจากไปขึ้นเขาทำทีมามาเนรื่องถึงที่บุรีท่ลบบุรีมีเขางจเขาองจาร์นเนียเป็นังส า, านนสขขอาจารย์อาจารย์ที่้ นี่ฉันก็นึกถึงว่าบนี้ยังไม่มีคนที่ากลับไปหาดเดี๋ยวจะไปีกจะไปพาช่างไปดูาไขอา่ท แม่จะดูฝันขุมที่ี่ขที่สีจไม่ทานเดี๋ยวอาจจะปิดอาจจะจเป็นุี้าจะจะเป็นุมที่ห้าจได้ดูคอคือยากจะเป็นปุปด่จะเจออยาเป็น แลก่อนที่จะมาจะสีทำการท่านแวะที่วันที่ที่ป่าทุกตะไน่ไปไปาหา้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยตอนที่เขาไปส่งคนโบราณนัน่งีเขาไปส่คน ท, ที่อุบลรัชต์เขาไปได้นะทา ง, างทอุบลรชต์เขาไม่ร้ไปส่วนเขาเลยส่งไปให้ที่ตรงนี้เ <c oughs> ทวันนี้แล้วเขาก็เลย ฉันไปเห็นไปเห็นตัวสุโข ท, ที่ขอ้อมันเป็นสิ่งทองนะที่เป็นที่เป็นจริงฉันก็เลยบอกว่าเขาเปลี่ยนสุโขทิศใม้ไเหลือที่นเหลือที่เห็นเล็กไงไม่เหมาะสมก็กลรแจ้ที่อยากจะทำให้ดีกว่านั้นะใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประชมแต่เขาบอกว่ามโวกัน เขาบอกไปว่าานไปเสียหาขาจะรับชมแล้วเกาจะขอส่วนถาีงไคทที饼饼่ได้กนร่งคนี่จา ที่เวียนจัจะมีไมได้ไปไปมาแล้วือฉันส่งฉันเป็ฉันของฉันที่วัที่เวียนจัที่วัดอะไรไปส่งปนตั้งาแล้วแต่ฉัยังไม่ได้ไปเฉิมถวายในการเสด็จมาันสร้างฉันาหยที่ที่วัดหมายท่ารราชสีห์ชาต ที่ที่ที่เชิงและประชานที่อยู่ในงาม่้กีแลวก็เมื่อวิญญาณมันนี้เปงานงการเสดตายโยมพ่อได้เจอที่ไปสร้างที่ที่วัดอะไรนั่นว่าทีนี่แลก็ที่ดที่ที่ที่ลาวที่ไปฝันที่าส่งไป การเรียนรู้ที่เป็นลนารียนรู้ชันเรียนอี่ครั้งแล้วบบ ท, แบบที่เา ม, าามาื่อที่พ่อมาพ่อมาที่ไหนที่จะเปไปถวายาและฉันตั้งใจว่าฉันจะไปที่มือสกายที่พ่อมาบบที่แดดจะไปถวายบังหราวห้าทีเขาพัดกับรูปนี้ไปถวาย ไม่ห <Ja. S 1> ้ามหรยโลนีกี่สีนะครับอันนี้หมายถึงห้าครับนี่รถจักหวดใช่ที่ที่เมืองเลยแบันเดียร์มสกาตรงข้ามกับมันเดีาร์เพลิดเลิน ทำไมน่าเว่าอีเจ็ปอีอีลาวดีอะไรงบนี้เ่องนี้อับจากวมีเจ็ดหมืนคนเจ็ดพนคนมากเลก็เวลาตอนเช้าตอนราการเวลาเาเกิดออกมาเป็นแบบนึงมากเลย ต well sí uh> uh ั้งแต่ปีฉันเคยทาเคยถวายอาหารพระมาแล้วในพระโขกถวายจีวรพระเจ็ดในช้อนรูปเรียเดียวกันเป็นะ้นบ้านบ้านานติดกันเป็นอยู่โซนเดียวกันและสังมอยู่ในภาคปกครองอ้วมีสภาพเวกนกลุ่มปริญญกลุ่มปฏิบัติกุมอะไรที่เขาจะมีเป็นโซนๆๆๆ ใช่อยากจะไปเรียนใช่ไเน้ยากจะสักทคุณเรียนามากเลยปกติเนี่ยจะเรียนทีละร้อยสองร้อยปกติอยู่ที่บ้านจะใครไม่ยอมให้เรียน้ เรี่าเราจะรูปเรียกคนด้วยเราลงงานพันคนตั้งองค์ทางตั้งองค์ทางยี่สิบสามจุดลงถึงเราคอยทำของมาแล้วก็แจค้างให้รับสีลการให้สมาธิการละเสทุกปีแต่วันที่แปดถึงที่สิบสองกรกฎาคมอวมกับคนตายอย่างพอถึงีุลาที่สามสิบ้า็ วันทีีนี้ต้องมาถวายชัเพื่อเยียกบ้านของทวัดีนี้จะไปใที่บ้านจกทน่ัดถ้าคนมาที่บ้านจามาวดขางเรียาให้ปฏิบัติธรรมกันก่อนวันที่8 9 10 11วันที่12มาแจก คือถามว่ามีอะไรยากไหมในอย่างตัวอย่างเช่นขึ้นไปที่มาเลเซียจะต้องให้คนไปตรวจคุ้มกันที่ไม่ใช่สัง เราต้องการอยากให้่านเป็นคนมีามเชว่าจะได้เป็นกำลังของศาสนาานะเป็นผู้เ่วทีแอยานตัวอย่งแล้วเพื่อทนได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้สติปัญญาให้รู้ว่าถ้าสมัครสอบได้เกิดแต่ดีท่านจะดต่อกาต่อการขงศาเป็นแบบอย่างให้กัของสังคมให้สังคมได้ที่ที ได้หักการคุยกับทีมที่เรต้องมีเพืาอที่จะเป็นปัจจัยใรายสใรสรา้างเสรีภาพรต้องการให้กำลังจากคนกลุ่มนี้ซึ่งชันมีสั่ย้ำน้อยฉันไม่สามารถที่จะให้คนในประเทศฉันก็ต้องเรืองคนคกลุ่มที่ดีที่สุดดีที่สุดใารที่จะส่งเสริมฉันไม่สามารถจะทาให้ทุกคนเป็นคนนะีแต่เราจะส่งเสริมคนนี้ใมีลังั มีศักยภาพและก็จะได้เป็นแบบของเป็นเจริญและต้กาาัอบรอบในตัวเอให้เจริญใหุ้กวบใหญ่เ็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จากมันทัั้นถ้งประโยชน์รนี้จะต้องทำสัมเสียที่สุที่พี่ในที่ที่ขตัวเองเพื่อตัวองเขาจะ้จาาท่า เพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเราไม่สนับสนุนไม่สนใจเราก็ไม่กลับมาใจถสนับสนุนก็สนัสนุเพราะถ้าต้องใช้ทุนการศกาจำนวนมาสังคก่ในการที่จะไปเรียนรู้นะครับใตการทจะต้องซดใจมาหนัเป็นสที่เท่า้ท่านจะได้เป็นแเป็นแกนอย่างแล้วก็ประกาศหลักการของพัฒนกาให้กับคนส่นใหที่ไม่้เรื่องที่ไม้าถึงได้สังเกตคนที่จะรู้สึกเปนไ เราก็จะได้ความรู้ความดับที่เราไปส่งเสริมตัวกลุ่มของกรส่เริมแล้วแล้วาษาสื่อ่อยู่อย่างภาระภาระไทจะเจอพวกมึงเป็นปะโยชน์จริงหรือไม่เช่นที่ประโยชน์อย่างนี้ทุกทุกปีก็ารี่นะเนี่ใช่ดูเป็นอย่างไรโอเค เพราะว่าเราเราไมมีมีใจากนักเรามีแค่นี้เราจะสามารถดูแลคนเช็ น, นได้มาทำเช่รร้าจท้ดีาาาการส่ ท, ที่ดีเป็นการเส้นที่สําีลอ า, าที่ดีดอุปรกรณ์ที่าบปาทุกครที่เราเห็นว่า เราจะทำให้ทู้คนมาช่วยแนที่แทนที่ท่านไม่ได้บายท่านเม่ได้เป็นสมีถูกของวานก็ไปกิงเข้าไปเป็นตัวแทนท่าแล้วก็เอาหาัสเต็ปหนีไปแล่าแต่จะนำไปทำให้ต้องการวิญ่าณนการสึกษาศก็อยาการเล้ยงแวก็รก้าวหน้าใแทิศทางววิท จะแก็เนบ้งกาั้งถ้านะทำอะไรในสังคมชาติเราต้องได้ประโยชน์จกนฉันไม่ได้ทำเพ่เวลาเป็นเ็รอ่างเง้ยมันจะไม่ใช่เอะจะใช้ในการเ เลนของกลุ่มไหนฉันจึงบอกว่าโดยมาก่สเเวลาเราปแนาวยริจะชี้แ่าเราต้องการอนไคือเราต้องการความเ่มคาเือนัว่านั้จิ่มตนของกาียนรู เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นแต่งงานแล้วเราตเจะช่วยหรือเเวลาเรามองไปที่เนโดนฆ่ากัเราเกี่ยวข้องกันเราไม่ค่อยมองฝเท่าเมกคนเและเราคิดว่าเราจะทำอย่างไรเราจะทำฝ่ายเ่าเทีมเราไม่เต็มที่หมดแต่เราคิดตที่ว่าทำไมาไปทำตามความเทาทียมที่เราปฏิบัติทกันนั้นต้องมีข้ามเพื่อจ้าเพื่อจ้าบอกว่า สามีและภรรยาที่ดีด้วยกันลูกและพ่อแม่ที่ดีด้วยกันจงมองความต้องการทีขข่ตงแล้วก็ขนสายทำตางความประสงค์ตามความต้แลกาอ ง, าองด้ยวยเต็มที่จะนางตามฝ่ายตามผลฝายที่จะทาความต้องการของฝ่องให้ตึการเป็นจิตที่จงเปจิตที่จงแล้วการอยา ใ, าให้ทาให้ที่ถูกต้อง แล้วความรู้สึกคนอื่นที่รู้ความต้องการรู้ความประสงค์เข้ตะถ้าเราเจอคนแบบนี้และคนแท้เขรู้ความประสงค์ของเรเพื่อเราไปเอาของไปถวายเหตุเราก็เอาของไปถวายเหตุผลนี่ของนั้นเนี่ยมันเพื่อเช่นอาหารเนี่ยเป็นตัวย่าเช่นท่านเป็นความดันแล้วอาหาร ้เป็นเบาหวา่นเป็นโลกตลกหับเราเอาอาหารที่ไปให้ท่ทานทำให้าตทำงานหนักตับทำานหนักปอดหาใจท้งองต้องทำงานหนการให่อย่างนี้ใช้ระว่าวให้โดยไม่ยัง้ยงแพการให้โดยไม่ยังเพงจะได้เมื่อเราให้รักษ์หให้เคารพไม่ยังเพยงอย่างนี้ก็คือว่าเราได้ดุจหลานญาติสาีพันยานเขาก็จะได้น้านกระดดเพราะเราไปทำ ความไม่ย้อนเอี๊ยาใจให้แา่ที่ก็ไม่เหมาะสมเป็นศพทางชนะก็ไม่เหมาะสมแต่ผู้มเป็นต้นนี้เราให้โดยขาดปัญญาไม่ไมีวิจัยธรรมนะผู้เจาได้สอนเายนยกตัวอย่างเช่นหนูมีพ่อตายไปแล้วพ่อท อ, ท อ, แทอิแกงมะลุหนูก็เลยแจงมะลุไปสบาครับแทนที่หนูจะคำนึงถึงท้าน แต่ไปคําเมนต์ถึงคนที่ตายกรณีอย่างนี้ก็ให้โดยไม่ยังยืนแต่เป็น้ะอย่างนี้แท้ทีจริงเนี่ยเขาเอาคนที่จริงเนี่ยเาเอาคนที่รับเป็นระหาณเมื่อเราให้ของที่เหมาะแก่ผู้รับน้อมของที่เหมาะที่ควรที่ทานที่เราที่ให้ก็จะได้ของที่หมากที่ควรราคาแบบนี้ท่านั้นก็ยุ่งอี สมมติว่าหนูตายไปหนู อ, อยากจะให้เขาได้เสื้อผ้าหนูที่ต้องเอาเสื้อผ้ามาจาาะแบรว่าเรื่องผ้าจะใช้ยังไงเข้าใจไหมมีเด็กคนหนึ่งตายไปแม่ลูกที่ถึงลูกตุ๊กตาไม่สบายมองออกไหมนี่คือความรูคค้ของผู้บริหารเขาต้องเอาของที่ควรจะสมแล้วบุคคลที่เราคิดให้เขาจะได้ของที่ควร และเราก็จะได้รับของที่บริษัทขนส่งแบบนี้ห้ามไม่จะบริษัอื้นเรจะเน้ไปที่อะไรใช้บทอะผมพูว่า G1 นคุณก็ต้องดู g ีที่ถูกต้องต่างรไไม่ใช่ไปซื้อ G1 ที่ก็ต่างายตามา จนี้เอลขายถามร้านเขาตัดไม่ถูกก็าามาใช้เราติดถานไม่ได้มันเป็นจุวทลี่เขาเย็บหลอกอย่างเงี้ยเ็ยบหลอกแล้วก็บางเชืเลยมใช้ก็ไม่ได้จริง น, นี้ไม่ได้ไปควนใช่ของนี้เหมือนคนจะซื้อเสื้อผ้าให้เนูอไปซื้อเสื้อผ้าปลอมแล้วก็หลอกด้วยยาดด้วยใส่ได้ก็ไม่จริงเรื่อมให้หนูหนูจะไปทำสืนี่มีของไปวร เ, นเนยอะ รองเท้าท <M ình S 1> ี <thì> ่หมอนใส่สวเป็นยังไงรอที่หมอนใส่สวเป็นยังไงมัสควรมันดีเยอะเอาหารใช่ไหมถ้ามีรอบก็ชําตัวนี้งก็ตทุกอย่างต้องเรีนเกกบรที่ยงศึกษาไม่ได้ก็าอาของที่ ส่อาจัารจนท่าจะเรียนรู้าท่ะรที่นัตวที่ทำนี้เ็นองบางสิ่เช่นเยอมจไปของใช้รถยนต์ออสังหาริมทรันีควเงีย ยอมให้แบบนี้ยอมจะได้ของที่เป็นคนแต่ถ้าถวายเสร็จปุ๊บยอมกินวายร้ายจักรเลยหรือว่าท่านมีวายร้ายจักรบ้างยอมไม่มีเวลามากก็ยมยมถวายบุชาอีกทีหนึ่งถ้าต้องบอกเจ้าฉันคือวายที่สุดที่ผมปรัสบเบื้องต้นแต่ผมมีจารึกด้วยนะหนึ่ง ผู้ถือไม่ได้ใช้ผ so <met ry> so ู้ใช้ไม่ได้ถือจี่เพราะว่าจริงๆคจะมงการ่จ่ดต้นเดิมที่ดาาาทอาจะมีนาเกก็จะนน้ต้อง้วาคนซ้อนได้ แต่ถ้าหากเราไปเจอองค์กที่เขาบอกว่ามีความจำเป็นเพราะว่าบางทีถ้าใครสนอจะสนับสนุแต่ถ้าครเสอเขาคุณก็มี้ไม่ก็ขอให้รู้จักกันก่อนกดี ในวัดในวัดมีวัยรุ่นมาดูถ้าใครตั้งทีกฎหมาย ถ้า อ, อยากจะคืนเหลือบ้างนกน็ยังเปิอกาสได้จำหนีบดูแลตัวร่างการจัดการอนไรแบบนี้นเลยต่างมากายแต่แต่ก็มีข้อจำกัดนะ โดนด่าก <ítulo> ันแลก็บ <Beautiful>, ฮ <The Major> <t> ่ท <t> ี่สุดก็ที่สุดแล้วที่สุดที่สุนโอ้ยยยยยบงคนก็พอแล้นาแบบนั้นสีหน่อยจะบอกบางคนก็พอแล้วไม่สัทธาเลย ตอนนี้ยัมีศรัทธาสั้งภาคหนึ่มันเป็นอย่างไงมนุเราเป็นอย่างนี้คือบูเดชนี่แน่นอนถ้าศรัทธากับพระรยาถ้าศรัทธาบูเดชนเดี๋ยขึ้นจริงจริงามใจลองดิฉันจะทำลุงนะจะทำวิโยบศรัทธาไว้ทนั่ท่านลบขทรเกี่ยวานเกียวกัานเกี่ยวกับงานสนน เราลับตัวูกตัวด้วยด้วยพอใจจะัหมนึกว่ามรนงๆขึ้ากเลยมนุษย์เรานี่มุศรรมมากสัยโยนต้องทำไต้องมั่นยจในตัวงต้องคิดดูที่หายไปมุศธรรมแกเปลี่ยน แต่ก่อนแล้วก็ศรัทธาในานี้ถ้าอนทินายกันเนมันก็มันก็แปลงี่ยนนะคว่าอะไรกระของเลนะใสขอาใจอย่างยว อ, อ, อ, อ, อ, อ, อาจจิจะถอย Yeah. Okay. พี่ชายคนโตเอ่อคุณพี่คุณพี่คุณพี่คุคุณพี่คุณี่คุณพี่คุณพ่คุณพี่คุณพคุณพคุณพ ไหน่คไม่เหี่ยไม่รู้มูาจะดกีันไม่รู้เลยว more, more, more, more. จะมาท่าคอหลังจากนั้นาาตอแลจะนาเตียเตียตัวลก็เลยตั้งว่าไปเียสังนก้เียันสวบที ก้ะแสมันจะเป็นกนหรอว่าเซนลาะง่ายหรืออะไรหน้าเลยเนี่ยตัวรู้ตัวรู้ ก็ดีแล้วไม่ปวดก็แล้วเข้าใจแล้วยังไง กเจมี่ <geht oso> ไม <That S 3> mm ่เจอ มากัวนี้ก็จะทำอะารได้ได้ให้ ฮ่าฮ่าฮ่า เราเจอเรื่องของมีนาไม่ใช่คือเราต้องใช้ความเข้าใจ่ราใช้เนี่ยคุณต้องให้มี่วนคุณต้องหาหลักแห่งมีความในความเข้จของทุกสายให้มีแน่ที่จะเดินทางไปทิ้งเงินได้อะไรกับาวนน้ช่วยมีมากนะค่ะนนี้ไป ในสถานที like a a ่ร <clears throat> so ิสุทธิริสุทิ์ที่ว่งเปล่ความก้าวรแต่จะสมบูรณ่ราตรงนก็ตัวท้าี่จะเจัวต้องเจอนุ่มทีะเจอหน่มที่จะเจอหนุ่มที่จะเจที่จะเจอหนุ่มที่เจอหมที่จอหนุ่มงี่จะเจอหนุ่มที่จะเจอหที่จะเจนุอหเจอหหน่อหนุ่ม่จออหนอหทุ่ทีอหน่มที่จะอหุเจอจะเจอหนเจอ หลวบอาจารย์คนที่มันล่อลอยบ้านเลยอาจารย์ท่็นบอกเลย ก็เล่นแ้ทำ้ก็ทำแบบจมาก็เล่นได้นะแล้วข้าใจนะเ้าในี่คามรู้ว่าน่นคือตัวเรัว จริงๆโยมค้ดว่าใช่ไหมะงเราิดว่ายงว่าไม่ยากงกันเดี๋ยวมาดูกนากก่อนจะเรียนมาแล้ว30ชิบับดีแคนจะพูดถึงว่าค่าพูดอะไรต่างๆได้มาษาได้ไหมใ การเข้าถึงพะเจ้าในกรที่การเข้าถึงพูดทางยังไงจะต้องทำอะไรการเข้าถึงพูดทาะยังไงจะต้องทำอะไร ท่านจะมาสังเกตดูนะครัุณท่านเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นหนาตาเป็นตัวตน่ไม่ใช่ธรรมะ สิ a, ่งท okay. nice. ี่เป็นพ mm ุทธือเป็นธรรมเป็นสัมาข้นเเรื่องเอานีเวลาจมไว่าบว่าอารหัสมมาสัุโตขัาังปะะวันตังุลยวครังิดคคือกรพุทธิเจ้าคืออะไรการพุทิเจ้าในนี้หมายการการรียกชื่ เป็นย yeah. yeah. ังไงกะได้ทำให้เขาทำได้เดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมแต่ก็มันก็จะต้องทำให้เขาทำได้ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ เฉพาะจริงๆเดียวก็เป็นอาหารสัตวมาสัตว์นินะกวังตะกวาปลาตะวาี๊ยนนี้าไปเนี้เฮ้ยยังอยากรูคิดถึงอะไรเบลเบลล่าก็ตาม ก็งงนะที่ท้องท้างเป็น้งเป็นที่จริงแล้วท้งเ็นตอนจ้าพี่ที่นม่ทเนพนนยคนที่เปนพอแมปนพ่อแมเป็นพ่พี่นี่เนยคนที่นพ่ม่ที่นพ่อแม่ที่เป็นพ่อพี่อสว่างขาตควากฏตาตาท่าตาภาษาังกฤษเนี่ เดี๋ยวเราแก้ดูไปเดี๋ยวพ่อสู้ไปที่ไหนก็รู้ว่ามันตัวสามตัวสามอะไรก็ได้แก้ดูไปไม่ใช่ 才没有，才没偷。没有，没有来得来采访，来采访我咋？没有来哟。你那看，那看，你买过来尝了不？哈哈哈哈哈哈！你给我打开，人家看人家招牌，什么鲜花饼？哈哈哈哈哈哈！我操！下午他因为那句话，不知道干什么了。今天把花饼家。 ก็ได้จะเป็นอะไรก็ใช่ก็บางอย่างนี้อาณาจักรสองมาสองพื้นท้องพระบรมราชานุภิดาเจ้าหลวงกับเพื่อนเพื่อนต้องสู้เชียร์ถ้าเสือชอบได้เด็กคนเดียวทุกท่านต้องรังสรรค์พระบาทสมเด ธรรมชาติเป็นผู้รู้ผู้เิผู้เดินทางเจระไรใมเรียแะพจ้าเป็นพระนราเป็นพระเลยพระจ้าเเป็นคนท่านแรกที่ได้ตัสรู้อริยสัจ แล้วเป็นความเป็นป่าคณชาติตัามตัวาตดคนที่เนี่ยเกี่ยอยู่ตัวเนี้ยตัดคนทกองทุกข์ตัดคนแล้วทุกทางมาวางทางนิวาสสั้นยาวเลว่าทำแต่ว่าอภิวาสใจจาทางพวกทีางวรามายถึงพระเจ้าก็จะคุกจนเย็นจากนี้จะมาเข้าถึงความเป็นทูกทั้ง ตามพระพุทธเจ้าค so ือเป็นผู้รู้รู้ในที่นั้นมารู้อริยสัจตตในที่นั้นมาถึงตื่นจากความหลับหเรื่อง้นกี่เบิกตาหรือฟ้าเป็นอิสระเสราพใกลับัตวามทุกข์เอพระธเจ้าย็จะคุตัวงจากความรธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่ผู้เบิตากาลที่สามารสมสรธเจ้าอค่รับ น้อน้อนที่กลาเนี่ยคิดอย่างนี้ใช่ไหมพระพระุรธจาเป็นมาราหารตัดกิเลสตาดทุกข์ที่หมดแล้วพุทธเจาเนี่ยเป็นจากมนุษยธรรมดาเนี่ยพุทธเจ้าฝุกตัวเองในกางเป็นสัมมาสติธรต่ดกิเลสตัดทุกข์ที่หมดแล้ที่าการขา้าพเจ้าที่อ้างว่าเนี่ยก็ ค, คือข้าพเจ้าก็จะฝึกตัวเอง จากมนุษธรรมดาเนี่ยให้เป็นผู้ทักจะได้เป็นผู้รู้รู้เรียตสัสสิพุทธเจ้าตื่นก็คือว่าตื่นจาความหลับไหลท่นค เ, เปิดป่าก็จะได้เป็นอิสระเสรีภาพตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จุ่ได้จากอาบลงไป นี่ีนุริเจ้าพระธรรมน่สว่างชัดโตพระปวารณาทำโมทังค่ามัพระธรรมเป็นธรรมที่พระรุ่นเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังค่ามัสสานี้พระนเาศาสนาพระธรรมพระธรเนี่ยคืออะไรพระธรรมพระธรรมยังมีความงานสาระดับีเป็นความงานในเรื่องต้นของพระธรรมสมาธิเป็นความงามในทั้กายของพระธรรม ปัญญาเป็นคามงานของูสุรบจะความงานในเบื้องต้นการเมื่เ้วก็ทำให้จบได้ร่วมกาบไปก็ทำซื้อมาใช้ปัญญาเพื่อทำเองนะฮิัน คือจริงทำมัจริงๆมันหมายถึงสี่สทปิยาทีทก็ทำสีประการมดสี่นที่มันเก้าแล้วแล้วก็ภาแใจนึ่งปฏิยที่ทำหกเป็นี่ถ้าสีเป็นคามงามในเรื่องต้องถาทำสมาธิเป็นความงามในทางการถ้าทำปฏิยาเป็นความงามสุดๆถ้าทำธราติก็จะจุดเป ในข้อถึงความการป็นต้นต้งการที่สุดขงทางันว่าน้ำมันสามสิเจ็นะการกรทนี่ยนอกน้นไาสัการดิญจตัวเอจะต้องฝึกเในข้ถึงความงานของรถทับส่สถานที่ปัญหาให้ได้ซอกที่ใส่ลงไปแล้วมันเกตลอดเวลาตัเจ็วแล้วมเราจะต้องฝึกตัวเองครัีนต้องฝกพฤติกรรมข้าถึงความงามระดับสื่ได้ ฝึกจิตใจให้ชอบดความงามในระดับสังกัดที่ได้ฝึกทัศนคติบามอย่างให้ชอบดูความงามในระดับปัญญาให้ได้เห็นไหมนี่คือภารกิจในรายที่สองเอาสูตรปฏิบัตนมาว่าไงลองทำดง สั่อมาแลกสเนี่ยคือพระสวสดาบาลจารทางวัดหลที่เสดาสรศสรงสาวกของพระพิฆเนศปฏิบัติดีเป็นต้นปเป็นเชาที่คาว่าปฏิบัติดีหมายความว่ารูปฏิบั ต, บตบิตรงปฏิบัติดียนปฏิบัติคื อ, อคดําเนินกระแสชีวิตเป็นตางสีบสาทุก เพื่อเข้าถึงการตัดสินขทูตพน้าบัญ้าก็จะกดจนเองจากอุปม์เพื่อเข้าสู่ความเป็นนสารตรขอจาะึงอยู่นรัมดจากจะกดจะจะอุปถัม์เพื่อกอสู่ความเป็นอนสสาของ้า จุตามตามแบบอย่าของเรียนสอนที่จุดต่างๆ่สุขปริบัตินอบปฏิบัติดีปฏิบัติรู้ปฏิบัเป็นทางปัจจุบันองไรทางปิบัติตรงก็คือดาเนินตรงไม่ออกไปทารสุนกาที่กานตรยกทโยกดำเนินตามการสันทเป็นย่างพุทธคิความปรีัติเพื่อน่าตัวเพื่อจะถนงในกอง ปฏิบัติสควนคนเยยรจางกูรู้ะายเนี่ยปฏิบัติดีเป็นต้นเงี่ยหัวเยียร์สูงเป็นอย่างเง้าเจ้าก็จะคุณตรงนี้จะบริชนเนี่ยสู่ความป็นก็สื่ขความช่จุกันหัวเยียสมสามหกเป็นอย่างเงเป็น้นอการหรอการเข้าใจเรื่องเวลาเ้าใจว่ต้องแบบย่อก่อนเนี่ยบื้องต้นให้เข้าใจว่าการค้าให้ถูกค้า กราพเจ้าถูพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมไอ้ถูกพระธรรกราพระสงฆ์ไอ้ถูกพรสงก็ไม่ร <ulous S 2> ู้จะทำไม่รู้นะครที่ตรงไมได้แล้วในกาไคหมาว่าจริงๆเวลาเราก่าบจริงๆมันก็ไม่สม่ไม่มัน right. จะไม่ไม่เหมือนกันก็จะไหมจริงแล้วก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธสงฆ์เป็นอย่างนส เพราะเราจับประเด็นไม่ใช่เราจะรู้ว่านอกน้อง ก, ก, ก็ดีไม่วา่าก็ดีน้นก็คือการจะปฏิญญาตรเด็ว่าจะฝึ ก, กนไปเข้าถึงนําว่าจะ ว, ว่าคัดฉานีแต่ว่าไปไนะเพว่ ว, ว่ารู้แล้วเข้าใจ ไปนะเข้าถึงเข้าถึงาถึงเานีันเข้าถึงด้ยงวยด้วยปัญญาที่เข้าถึงด้วยศรัทธาที่เข้าถึงศรัทธาเจตนาและปัญญาหนึ่งเชื่อมัน่นสองมีเจตจำงตร ง, จงใจที่กดกันเอ้สมีปัญญารู้และเข้าใจองค์ธรรมมันมีสามตัวเองนะหนึ่งเจตนาความจงใจตั้งใจี่เป็นกุศลสองเชื่อมัน่นัวปัจจุสดาสามมีปัญญารู้ เจตนาศรัทธาและปัญญาจะเป็นองค์ขาของการเข้าถึงทธธรรมะที่ทสงคัญบางคนมีแค่เจตนาอย่างเดียวแต่ศรัทธาอย่างเียวมังไม่ถึงอีกนะงคนมีแค่เจตนากต่ศรัทธาขาดปัญญาก็เลยไม่ถึงโุรคัญตนไม่ตัวเขาว้าถงอีกนึง้องค์ประกอบทั้งสามตัวต้องชัง่ง อะไรเรื่องเจตนาศรัทธาปัญญาไม่เกี่ยวกับสักก็ยังไม่สุขุมแค่เชื่ออย่างเดียวแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็งงง่าสิทำไม่ถูกสิปฏิบัติผิดถ้ามีเจตนาอย่างเดียวก็มีเจตนาดีอย่างเดียวอะไรก็ไม่รู้ทำไม่ถูกถ้ามีเจตนาดีอ่ะก็ เขาทำอะไรก็ทำตามเขาบ้าเขาไปเก็บก้อนนเาใส่กระเป๋าไว้ไปถึงบ้านจะได้รวยเขาไปเก็บกบ้านี้สมมติเนเี่ยนะไปถึงก็ไปเก็บก้อนอิเล็กใหญ่ไปแต่มันก็ขาดปัญญาเนี่ยนี่เป็นต้นเาใจนี่คือคำถามว่าอะไรเป็นต้ของเข้าใจตำนานของมช ฉันพไว้แล้วสาีปรา่าเราจะไถึงคนที่เข้าถึงสาีสนวน่จร้ใช่าจรอาจา มุจฉะผูเกงมุจะผูเก่งเกิดเมตนาหรือไม่เกิดของู้เก่ไดเนาแต่รู้ว่ม่ดีเนาะยังมีโจ๊กอันเป็นจริงไหมข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าาข้าพเจ้าขาพเจ้าข้าพ มาจิตใจดีๆมาปฏิจะปฏิจะสุขภาพเนี่ยเป็นจุดส่งที่จะต้องจับใจใส่ันเพราะปฏิจะเนี่ยมันเป็นปฏิจะในการที่คุณอยากทำอะไรในการที่อยากด อุ้มใจที่ย่าสมใจรักพียาที่าที่ย่าที่ยาที่ย่าที่ย่าที่าที่ย่าทีาที่ย่าทาทียาที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่ายาทียาที่ย่าที่ย่าที่ยาที่ยาที่ย่าาที่ยาที่ย่าาทาที่ยาที่ย่าที่ย่าที่ย่าาที่ย่าที่ย่าทีาที่ย่าที่ย่าทีาที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย่าที่ย เช่นตาวว่าไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกศาสนายไม่รู้ในทุกศาสนาไม่รู้ในทุกขสนาเราทำหนี้บริบทามพยายาพยายามที่มาิชาไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ถ้าอดีนไม่รู้การติดเชื้อแบบนี้จังไม่รู้อะไรเยอะแเราไม่รู้ในทุกเรือไม่รู้ในเรท่กิดทุกเรือไม่รู้ความตับทุกเรือน ไม่รู้บฏิวัติาอบเป็นแบที่อบดูความแบบไม่รู้อดีตเป็นไงม่รู้น้ำค่อยกินไม่รู้ท่าดีตะไรไม่รู้กัิเสธอะไรนีคอควิชานี่ไงนั้นต้องขยายหมดเลยนะที่พูดเรืบองนี้ถ้าจะคุยกันปฏิจจารเนี่ยที่ยมไหมเนี่ยพานี่ยพาที่เที่ยเนี่ยถ้าจะรู้อะไรสอนปฏจจาร์ต้องใช้เวลาหกเดื กเขาแก่เขาโลภจริงจริงนะท่านสหายทุกท่านที่เราดูเขาได้ให้คนเนี่เดี่ยวมาสูต บริจาคสูบปฏิจจัเาสวนเสยโพอดสเวางวัชรแรกนนะทุกคนปจจริตูเป็นจารูปฏิจจ่ง จ <bunlar> ุดที่ประเด็นที่ว่าที่พ่อพันธุ์พันธุ์จะมาสังเกตนะพ่อพันธุ์พันธุ์จะมาสังเกตจากกรุสัมปัสการกระทบตามีอะไรบ้างเนี่ยงจากกรุปัสการสุตาเนื้อสองกรุปานุสีให สาคือจักรวิญญาณคือจิตที่เว็นอาัยจักรภาษาเกิพอสภาว่าทำสามอย่างประชุมกันประหยวกกันขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าภาษาในภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าจักรวิสัมพะสารการกระทบกันทาตามตาพอจักรวสัมพะสารเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นจักรวิสัมพพะชาเวทนาทีนี่เวทนามมีสามที่จักรวิสัมพพะชาทุกเวทนาตรงนี้จักรวสัมพพะชา สุโขเวนาก็มีจากคุณสมศชาทุกสขสเวชนะมีเช่นย้อมองมาที่นเนี่ยเนี่ยยน้มองมาที่อาลมาเนี่ยมองก๊กัง้งมาิการมีได้พอใจขึ้นมามันกลายเป็นไงตั้นมาิการแบบแบบเพลิดเนง ม, มองทุกคนก็กลายเป็นสเวหรือก็แยกแยไม่พิจารณาก็เป็น เป็นเวที่เป็นตัวใช่ไหทีนี้บเวทนาเห็นไหมว่าหนึ่งสัตคล้องต่างๆมีการตัดชุบปรดโยไปขนมาพบเป็นเวทเป็นปเป็นเเพราะเกิดสุขเวทนาชเป็นอะไรเป็นัญหาเป็นการปัญหาถ้าต้องการให้สุขเวทนานั้นมันถาวรมั่นคงเป็นภาวะจิ ถ้ามันไม่เป็นไปอย่างใจมันหายไปมันหลับไปมนไปตัวเวทนานั่นใชหมน่ยอยากให้มันหรือว่าไม่พอใจอยากมันคดมันเป็นวิตุวางนีเวทนาไปันหาพราะปัญหาเกิดความยินดีเกิดความชอบใจขึ้นมาก็ยิดอย่างเป็นต้ตระนักถามวจริงๆแบบนี้อันนี้แค่แค่ อันนี้มาที่บาจมูาตรองถัดใส่เงี้ยนะแล้วก่อนหน้านั้นอวิชชาว่าไนสันขานี่ว่าในวิญญาณนามโลกสารยะนั้ภาษาใช่ไหมข้านไม่ใช่ไม่ใช่คือเข้าใจนะแต่ยังมจะจะมไม่ได้แต่ว่าเข้าใจนะ พอเข้าใจมาแล้วน า, น า, าดนนนอะรจากค่าไม่ถูกพพก่อนจะจะไม่อยากศึกว่าอย่าหยาดหยาดหยาดหยาดอย่ารอการศึกษาทำให้ดี่พอรู้จักพระรัตนตรัยเสร็จตุ๊ให้สังเกตุ น, นะว่า พอมีศรัทธามีศรัทธาตั้งมากแต่ละแตลาแล้วก็มาดำเนินชีวิตไปทามสีก็มาศึกษาสีสีที่เป็นอริยการแตสีสีที่พระอรยมนชื่อชมรักชอบคือหมายความว่าักษาสีปฏิบัติในสีที่ถูกต้องให้ถูกต้องตามตามตามความหมายตามสภาวุตุสีี่ทริงไม่ใช่รักษาสีแบบโง่า ไม่แก้รักษาสีแบบทีคุณไม่เข้าทีนูเนี่ยไม่บวบวมท่าไหรมจุดหมารักษาสีจุดักสีเพื่อรกจย้เพื่ออะไรีเพื่อพฤติกรรมทางทางวาจาและอาชีพให้เป็นเป็นไปความเีย่ดี นี่จุดหมายทุกคนเพื่อให้เกิดควานะมเพื่อเกิดความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจด้วยเกิดวความความความเพื่อจากความปลื้ใจให้เกิดปีติอิจใจจะอินใจจะได้เกิดประสุบันที่ความสงบจากความสงบจะได้เป็นใจแก่สุขสนะจากสุขสนะจะได้เป็นใจแก่สมาธิจะสมาธิจะได้เป็นฐ า, า, าเนเพ่ปฏิบัติการของปัญญาที่จะได้ เ, ข, ญญด เ, เข้าใจชัดซึ่งกระแสของโลกและชีวิตตามที่เราเป็นนะวัตถุประสงค์นู้น ก า, การาร Finanz, าักษาศีลเป็นแท้จริงเพื่อเพื่อปัญญาที่เขาปรู้เห็นทามความจริงอันนี้คือการรักษาศีลถูกต้องตรงตามสตาว่าขศีลทแท้จริงไม่ใช่ศีลเพื่อโนบางสารจากหรือเพื่อไปทำจุดจุดตรงนั้นตรงนี้ลักษณะการรักษาศีลที่ไม่ตรงตามความหมายของศีลที่แท้จริงเน่ยเรียกว่าศีลประทักรรมเป็นการรักษาศีลพื่อการหาด้ทิฏฐิความไปรู้หรือเอาเอาทิฏฐิเอาความเห็นเปจับฉุดี ครามไม่เข so ้าใจเป็นจับเฉลี ube, ่ยสียังเข้าใจว่าสีว่าตัวส่งสีเพื่อเออช่งนี้รู้สก้ไม่ดีวาักษณสีช่นี้รู้สึกว่ามีส่งทักมาเกินเนี่ยพวน้ช่วนี้รู้สึกว่าจะททางานที่นั้นไม่ดาวว่าเดือนเดืนก็ไนลักษาสีลักษณะสีไจะได้รวยขึ้นักษาะสีไม่จะได้สามีที่ดีรักษาสีจะได้ลูกอนี่นะกรณีอย่างเนี้ย กรรักษาสีเพื่อจุ่หมายที่เป็นไปในวัาตถาุทีงหายอย่างนี้เสื่องสี เ, เป็นการจับฉวยสีที่ผิดใช้ปัญหาไปรูปคาสีใช้ทิปปาเมนมถูกไปรูปคำสีไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นอริยการกสไม่เป็นปรามพมจัดสีกระสือที่ไม่ถูกปัญหาและที่จิตจับไเป็นสีที่ดต็มเนินเปามมา็นมามธริมที่บรรยายแทย้ที่ สิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่เพื่อเป้าหมายตัวกลามคนเด็กเลยในตอนตัวเป็นแท้จริงอย่ในนี้ก็ได้เข้าใจพระธรรมตรัยแล้วก็มันจะได้มาเข้าใจเรื่องสิ่งขวัาิศรัทธาของคนตรงนี้หนึ่งคาว่าตัฐาคดโกดิ์ที่คำว่าศรัทธามันจะบริบูรณ์ณที่ไหนบถริบูรณ์ตรงนี้คืงเข้าใจพระธารมตรัยถูกต้องตัวกลางจะมาสังเกตถูกต้อง2ดําเนินตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามอาจารย์ตอบนะไร สุดต่างสุอดเลของเรียนเออมาศึกษาแผนที่ศึกษาข้อมูลบริเรียนเาี่ยและถูกต้องเป็นไปตามลำดับของการศึกษาที่แท้จริงเออเริ่มตั้งแต่เรื้องต้นตั้งแต่ เ, ต เ, เ, เ, ญญ เ, เ ข, ข้าใจรัตนตรัยเข้าใจเรื่องศีลเข้าใจเรื่องสมาธิเข้าใจเรื่องปัญญาเข้าใจเรื่องทุกข์คือยังไงเหตุที่กิดทุกข์คือยังไงความดับทุกข์คือยังไงแล้ก็เข้าใจเรื่องปฏิบัติทางบันเทิงในสุความะเป็ น, น, ป น, นยังไงเออเริ่มศึกษาถูกเรื่องอะไรมันจะเข้าใจนะครทั้งหมด เอาได้สุตตากอาณพอยญาณสมาิจาณชักเอาดีจะที่ฝุดแล้วจากการสลัดจากการให้สมรทถธรรนยเปจงยแล้วเนี่ยมันได้แต่สลันอกแต่ไงไม่สลัต้องฝุดยนเนี่ย้งุดสละดีสลสลความรู้ก่กบความโลภ้างความโกรธบางความตื่หนีบ้างความผุกสร้างสละทิ้งสลัทิ้งสละทิ้งนอกแค่สลวาจุดงนอกข้างในจุกสลดอุปนเตรนะะื่อนไม่รู้ว่า ปัญญาในระดับสี่ในระดับหเป็นยังไงระดับจำในระดับหกต้องจำจระยานจระยานเป็นยังไงทาเหตุแบบนี้ได้่างนี้ทาเหตุแบบนี้ได้แบบนี้อย่างเงี้ยเช่นให้ทานในยังไงรักษาสีในขนยังไงฆ่าสัตว์เป็นยังไงรักษาเป็นยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาเนี่ยปัญญาที่เขาไปรู้เรื่องเียร์เองกไม่เดเองห์องจนทุกอย่างอาอะไรจะได้ระดับนึ่งนับเราพัฒนาต่อปัญญาในระดับสมาธิเป็นยังไงทุยกับ อพยาในระดับปัญญาปัญญานระดับระดับองระดับสามผู้ไรเยอะเอะอย่างนั่นแหละตติจารอยู่ตนอยู่ระดับปัญญาปัญญาระดับเหตุผลด้อยู่ลดับจะถึงนู้แหละทลุวงไปเะอย่างนีเขาใจอย่างเขาว่าฉันยังไม่ตัวหนูว่ามีศรัทธา ว่าสัที่เราจะจบเข้าใจว่าสัตย์เขาเที่สัย์เชื่อมัพเจ้า่พระเจ้าเป็นพระอาจรเชื่อมันว่าทางที่พระเจ้าทรงแสดงใช่ไหมว่าจะสามารถเอ่อเป็นเป็นคสอนที่แท้จริงถุกต้องจิเชื่อมันปรสบสาวกพระเจ้าปฏิบัติตามเป็นภารยายมีความ่มสามอย่างใไหที่ท่านทำาสััสชัดม้ีสมุดชัดนะยมเชื่อมัดวยเองจะถูกตัวนองเป็นภารยากาศ ต่างคัไม่เชื่อไมเชื่อบ้านไหอย่างี้ก็จะไม่มีสถากพะโพิสัตว์มนี่อย่างนี้ก็จะมีจะถาพะโพิสเชื่อจากข้างนอกเช่โดยินเข้าใจไหมเราเชื่อมันพรจาเชื่อมันพระมที่พค์ทรงแสดงด้วยเเป็นเป็นเหตุทให้ปบัามพทุกีและเชื่อมันอู่อริยสยนะตั้งแต่อัญญากนอัญญว่ปาพิยาหานามอาชี เป็นภายากกเลยนเนี well ่ยท่านต่นักศกบสข้าวอุนชย์เขาวัตตินสหายชาติีเชื่อมั่นพ่อศึาแพย์ัศึกษารยาตินัศึอดีตศาเชื่อมั่นตวัตารเชื่อมั่นเิงสาน้องหนึ่งเชื่อมั่นพระเจ้าเป็นสารก้อนด้วงสิบสองนิ้วที่อเตหูเป็นลูกทำเป็นป้ายยากทั้งหมดแต่ไม่เชื่อมันอันนี้ไงเขาจะไม่มีแต่ถาคนที่ศรัทธานี่แปลว่าคุณยังไม่มีศรัทธาที่ถูกต้อง เดี๋ยวเชมันพี่เขาไม้เป็นขนานั้นเราได้ให้เนี่ยเช่นมี้อะไรอย่างนี <laughs> <irgendwie> ้เพราะี่เาไม่จะมีศาสถาเขาปฏิสัขาเขาไม่จะอยู่แค่นั้นนะมีมีมีแต่บางนถึงศีลห้อยกินอีกวขาจะทำห้อยกินไมไปไม่ไปดีไหมไม่เดิาไม่เดินตามศีลดีบางคนเล่สุดตาไม่เอาเลยฮะไม่เอาข้อมือไม่เอาข้อมือเอาข้อมืออะไร่รู้เพี้ มนชอ่เกินกัก็่เอานึจะด้วยม่อสลนอกได้นไม่ยอมผมไม่เกินผมโทรเาไูก็ยมันก็มีบางทีท่านโทรทม่มีได้นทุกสาที่ท่านไม่ยอมอยู่ได้หมาสลาอก็ถึงปัญญายงง นี่ไงเขาไม่มีจ่าคาไม่ใช่เรม่กบริจาคที่เลยไมการบริจาคเพราะเป็นกลัวว่าถกินเม้องมีปกครองเขาจะผิดไงทั้งนี้เาจะจ้งมีปกครองคนแกแ้ภาษาอีกคจะมีปกครองคนแล้วตัวโกนานะทำไมปกครองคนแรกโอ้โถ้ปกครองได้ดีก็มีที่นี ทำไมคนถึงนอกน้องขาได้เจ้านอกน้องก็ทำนอกเขาคนไปไปไมท่านเหล่านันไม่แปร่แวงไม่อะไรกัน้ยคนคนหนึ่ปกครองห้าคนคนคนหนึ่งปอเป็นร้าคนนี้ไม่ได้ปกครองไม่ด้หรอกเนี่ยในคนที่มีคิเล่คิเล่เยอะเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เาไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ต้องใก้โทรศัพท์เลยเขาเขาเขาพูดไปแค่ไหนเชื่อฟังไม่เสร็จคิดพูดไปแค่ไหนอยากจะเห็นหน้ากันแล้วเขาตื่นุต้ำเร็จเลปุ๊บจบโค้ได้อย่นี้ได้ที่ไม่เจออะไรัวนี้เ ไม่ต้องไปใช้สิ่งเสอย่างนี้ลก็ุดทางจิตเขได้หมดเลยาอยากจะเดินบนน้ำก็ได้ลดลงไปในน้ำก็ได้ลดไปในนได้เดินไปในอากาศก็ได้มีมเจริญอะไรนี้ช่เรืงไม่มีอะไรเลยเนี่ อามีแต่ก่อนมีคนฆ่าพ่อไหมมีมีมีแต่ฆ่าพ่จ้าวมีตอนนั้นยังไม่ได้ฆ่าตัวเองฆ่าพ่อปีันมีคนข้าพ่อไหมแต่ก่อนก็เยอะแต่เขยกขึแค่นั้นไงมันก็แอนเดียวกันนี่ละยมแต่คนก่อนมีคนฆ่าทำลายไม่ได้ใจพ่อไม่รู้ บางทวันนี้ก็มีวันทุกกคปเาไหละทุกไม่ต่างกันหรือเป ล, ล่าชืเดียวนนี่แหละแต่มนุษยมันจะพัฒนาไหมล่ะประเด็นก็คือว่าเชื่อไหมเชื่อเด้ยาวเาชื่อกระทับเชืประสงค์เชื่ อ, อ, ๆๆอๆๆตัวเองไหมล่ะตัวเองจะฝึกตเอง้เป็นอย่างนั้นได้ถ้ามันไม่เชื่อแปลว่าจบงานนี้งานนี้แปลว่าการเข้าถึงมาตรฐานใจข้อแรกที่จบ แค่ั้นเลิกไม่ต้องไปยนเลิอยอยอยอยกลกนันดีกว่าพี่วเดี๋ยวไปยืนกัต่อ <c oughs> โอ้กันเราเราเชืช่ออะี่จะมา่เป็นอยอมแพ้จ๊อ ทำไมมันยากนยากทมีันยากนยากมันยากมันยากมันยากมันยามันยากันยากมันยกมันากันยากมันยากมันันยนยากมันมนมันยาากมัามันยากนนยมาัากยันยามนนนมมัย เขเชื่อว่าเขาจะเป็นหมอได้ต้องผมเห็นแล้วก็เจริงๆนียังไม่ด้ไียยังม่ได้เป็นทดลองยั่เป็นฝกอะไาเลยถ้า่งนีงนี่ก็เหมือนกันพูดเล่นล้อๆไปามกรณีที่ยมไม่มั่นใจจะเรีนก็จะัเป็นปัญาปัญาถ้าอย่างนี้ป้ชีเห็นว่ายมไม่ดีจะถามคนโกวที่ศรัทธาเ้าก็จะถามคนโูนที่สุทาเชื่อมั่นปัญญาถึนที่าโคต แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ท่านแรกที่ฝึกตนเองมาในฐานะเป็นมนุษย์ใช้เวลาฝึกนเองอยู่ในกาลววสันยี่สิบเกาปีแล้วก็มาึกิกปีก็ได้อัดเซลล์เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อองการบอกให้ควเราที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นฝึกได้เป็นกลังใจตัวเราถ้าเราต้องฝึกมนเป็นหน้าที่ฝึกได้เป็นกลังใจหัมนุษย์ฝึกได้เลย จงรูธรรมดาเป็นสัมมาสัมุทธาญาจงรู้ธมดาเป็นปเจรุทธาญาร้ธรมดาเป็นสาวกุทธาญาได้รู้ที่กได้ต้องฝึกด้วยหน้าที่วกเราก็ฝึกด้ที่พวกเราต้องขาตัวนี้ไงคือทำได้แต่เราไม่ได้ที่จะหนีเนี่ยเราคงไม่ได้หรอกเราแย่เราแย่เราแย่เนี่ยก็ไม่ให้ตัวมีนตัวเองการตัวมีนตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้จัดบิสัทของพรเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราดรตรงนี้ที่มั่นใจว่าทางนี้มีวิธีด้วยยังมมนยัมีพกเด็ขับรถอย่างบอกว่ไม่ได้ว่านไปขึนายออไปขับรถเดียวเราไปสตาร์ทพวกนยอมที่เาจะถึงบ้าท่านท่านยังไม่ถึงไงทำไมมั่นใจว่าถึง เขารู้วิธีารู้วิธีนะนี่จะเวนการกรณีที่เราจะโคดูชนเราจะเป็นอาริยานี่ถ้าเรารู้วิธีรู้เส้นทางรู้วิธีการรู้ข้อปฏิบัติมั่นใจต้องเป็นได้แน่นนันันเดียวกันทั้งทัยมยังไม่ถึงเลยงตายยมอใช่หมครับแต่ทั้งนี้ยังไม่ถึงยมเชื่อยอมไม่ถงม่เชื่ออย่างเดียว็ะยม มีปีการมีควรู <sur sa id ain> ้มนคามเชี่ยวชาครัที่จะไปทำอาชีพอะไรบางอย่างที่เยนาจะทอะไรทำอะไรไม่เกินหลายเดือนโอยเยอะมากเลยนะไปได้ที่ไหนวันจันทเราไปที่ไใจยังเงี้ยยัมั่นใเงี้ยบางทีเราไม่เคยไปนีสมมติเราไม่เคยไม่เคยไปชิมอะไเลยทำอะไรที่ทำที่ทำที่ไม่ ถ้า we mm. ีคนแต่ <Europe> ูว่าตะไมนี่การยูวันที่ยูวันไม่ไ้วนพอไปดีไี็ลาสักนทั้งหมดองคเนีบรู้ม เราถ่ายถารูปอะไ็ไสนอะรทั้งั้ ตอนแที่อีสานบตอนแกอที่จะไปอกไปรู้กวาย่างมนค่อรินเรปกนกินก้าวตอรกดอนติใจตอกเ่อตนแก็รู้ว่านจ่ใชตอก็าเป็นอ้งมันก็เช่อชีวิตท่มันจที่เขาีจ้าที่จะทาได้ไานั้นจะไม่มี 哎呀，这个玩意儿，会会うう我拍的节奏挺乱。再一个呢，累没有。 นายอยากพิจาราจเปล่าริริงจริงริงจริงจริงจรง่านรเรื่องกาเก็ขอินขวอยน้เนบขอกนาเนี่ยเนี่ยยังเป็นได้ไหม โอเคโอเขึ้นเขาใหมายฝึกสอนที่ได้จบเรียนมรู้สึกว่าหลายๆคนมาช่วยกุ้งมีวิธีทุกคนมีว <energetic> huh ิธีทุกวันนี้เราการที่เราได้ฟงความยากใ้ากเนี้ยมนยากอว่าขึ้นเขาอีกยงยากเดี๋ยวตวประมาณนี่ได้ไหมตัว ก้มภูเขาแยกใจเขาไปแยกเลยแากไปโอ้โหแยกเลยโอ้ใ <laughs> ช่จะพูดแต่คนได้คอมมิวนิสดี ความต้องสอยู่สงสัย่อให้ก็่อนการแทนืเสูงการรู้จัก แต่อย่างเช่นผู้ที่ต้องการซื้อโกบวยบางอย่างที่จึงโกบคนที่ยื่นที่จะเข้าไปจะพูดต้องจิตใจของผู้ใดก็ได้ ก็จะไปเรื่วแลวก่ได้คุณกม้ตอนนี้มาอนนี้ก็โกหกไปยองใ่หเราะ่อยๆเร่ยหนก็ยจะนางันค้่มันชอบทนอย่างอยากอยากจาอยากาเป็่นอยางมีคุณภาพ สัตว์ที่ไม่ดีอยากจะมีโรคิดาอยากจะไม่มีคนเชื่อถือให้ฟังอยากจะแต่งงานมีนเยนะโงก็ผมน็ทำงานถูกถ้าอย่างนันก็ไมต้องไปดูด้วยก็โด้ก เดีวเดี๋ยวพ่อเขาไปจ่ายเลยพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหออ้โหโ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ ถ้าไม่โกงผมอยู่เป็นรูปเป็นร่างก็ไม่ได้ยุบกันที่ภาคีกัน ถามได้ oui ต่อถามได้ต <will being> <mit> nah ่อถามได้ต่อคือคือมาแรกคิดไม่ได้เลยพันจันเจอพันจันสองเริ่มเริ่มคิดได้คือจริงแล้ว มีวิธีมองเยอะแยะมีวิธีทำคิดเยอะแยะกันเต็มเลยคือมันคิดได้ที่มาจากสอวมจริงในการทำอะไรที่แบบนี้มันมีปัญหาใช่ไหมมันมีคนที่มีชีวิตชีวิตที่ไม่เชื่อไม่ได้ยอมรับจริงเพราะว่าเขาไม่เคยทำอะไรเลย สิ่งที่ดมันก็ยังเป็นที่ี่มไคนชินอะไที่เราได้อว่ามาวกเรียนกรอนีวการที่ไม่รน่ยแต่ทเดอย่างทำให้เป็นคเวาม่ที่รียนตัวบ้านนี่ยเ่ยมัน็มาเจอแล้วเ แต่เราทำเลยครับแต่เราคิดในเรื่องการทำสมเด็จแล้วเนี่ยการปงแต่งกระบวนการความคิดทั้งหลายอยางได้สิ่งของใดๆน้องของคนอื่นเป็นปเด็นรือโกคนอื่นเห็นสามีคนอื่นเห็นภรรยาคนอื่นเห็นบุคคอื่นเห็นทรัพย์สิของคนอื่นเห็นยนชื่อเสียงของคนอื่น อยากได้ก็มันน้องมาเป็นตัวนี้จะเป็นหมดไปแล้วเนี่ยนะเรียกว่าพิชชาหรือกรอดเนี้นะกรอดแล้วก็คิดให้เขาพิบัติหมดตัวเสร็จกทิ้งเขางั่งเขาตายไปดูพิบัติเขาส่วนใหญ่จะยืนคอยเขาอยากดูคอยเขาตายแค่คอยเขาพิบัติ เนี่ยใจิดไมนี่แล้วทลเทา่านั่นแหละการคิดอย่างนี้จะได้รู้ว่าอเรื่องปนมัมันไ่ เ, ไไเลแล้วมันให้ผมนั้นกาบแปบบนี้จะเป็นเดีย ร, ดดดดดดร์ใส้เ่งยเ่อใน้ปงเจืนสันในโลกไงที่เฉีบมากาที่ทจจะตงที่คิด กาูดแต่สิ่นักสื่อยนี้ทจะไปเห็นยุสรยาด้วยโรคภัยเจด้วยที่จะต้งแต่แงาเราจะด้องทกันเองไม่แตกเราโรกไัยแค่เจ็บปวยียงว่า้่ต้องแตก้งแต่ที่นี้เกินจะไม่ีหรอกจะยอมอยากจะให้กำจะอยากพิเช่นนะยอม้คุณมำุณส่งตรงี จำเรีนโรงเรนสอบสั่งต้องไปเชิที่้นพี่หนุ่มที่ใช้ที่มีคนมาทำเรื่องแล้วก้ามที่นี่ถูกอาจจะพาดต้องเรียนที่สูดที่สุดแต่ถ้าตรงกันข้ามอยากก็ตรงกันขามอันนี้ท่านจะถามว่าเวลาโยมนึก ยอมเดินเมตตาในชีวิตจริงๆนะยอมเดินยอมคิดยอมคิดเมตตาตัวเองเป็นคิดการุณายตัวเองเป็นั้มคิดพุทธิตาตัวเองเป็นไหมคิดอุเบขาวางใจเป็นการอะไรตัวเองเป็นไหมยอมกระแสชีวิตหรือชีวิตของของยอมนยอมข่าวเป็นเหมือนถนน ส, สี่เส้น ยอสามารถวิ่งได้สดวกมากเลยถ้เมตตากุณเป็นานีตแล้วคิดถึงคนอื่นก็เหมือ น, น, อนกับถนนสเส้นนี่ไงเดินเมตตากรุณาเมตตาได้ทุกช่องและทุนั้เป็นข น, นาดนวาระไหนยมคเมตตางปรารถาดีถามเว่ายมคนเมตา ต้องการที่จะดีประสบความด้วยกันต้องการที่จีประสบความสำเร็จการที่จะดีก็การ่ดีอสิ่งที่ดีกใช่ไหมถ้าอยอมรัก็ดีดยมก็ไม่เปลี่ยนดีอะไรยังไงก็ได้แล้วยมชี้ชื่อคนนั้นช่อเดียวกันเช่นเราพี่น้องเราเราพี เรากรรมเราขับเสื่อมเราคิดคนทุจริตเราค่อยทำเนี่ยกรณีอย่างนี้ยกวเชื่อว่ารักตัวเองการที่ยอมคิดไม่ดีโกรธเคียดพิจตรงการวนหม้อยงเอาเศร้าสร้อยอันนี้เชื่อว่ายอมรับตัวเองอักกรรักตัวเองเขาจะเอาเขาจะเอาของไม่ดีมาใส่ในจิตนั่เองอันนี้ชื่อว่ายอมไม่รักตัวเองใช่ไหมเนี่ยรักเสน่ห์นี่เป็นคนไม่ดีตายเ อย่างที่เราปกติอยู่แล้วชีวิตของเราก็เป็นปกติอยู่แล้วนะไม่มีอะไรเราปกติที่ไหนแต่ยังย้อนยังหลุดาไปขี่ความเครียดมาใส่ตัวเองความโกรมาใส่ตัวเองความกำลังขัดเคืองหงุดหงิดทอถอยม้อไม้เศร้าใจมาใส่ตัวเองเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกคนเลี้ยงตัวเอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองในปัจจุบันไม่พอในการต่อไปต้องมีประสบวามณิอีหลังด้วย ทีนี้พอความเพียรความโกรธมาึ้นเข้าในจิตตนเองเขาต้องทำออกพฤติกรรมพฤติกรรมที่ออกมาทางสีหน้าแววตาถึงเรียกว่ากายเป็นกางเป็นสุริตสรจากมโนทุจริตมันก็กายเป็นกไม่สจริุจรพูดออกมาก็เป็นวิธีสุริอันนี้ชื่อว่าอะไรชุ่อว่ารักตรงมเนี่ยอันนี้ก็ไม่เมตตาตัวเองคือถ้าตนเดงปกติอยู่แนี่ไม่มีอะไร ก็ตรงเมตตาต้องรักตัวเองแ้วก็ตั้งสมาทานว่าเราจะไม่เอาความเครียดคว า, ก า, า, าพพมกตร่ตรอความทุกข์จะไม่เอาสิ่งชั่วร้ายาี่มามาใส่ด้วยในใจเราจะไม่พฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราเมันเศร้าหมองเดือดร้อนเราจะทํากายสุจริตวิธีสุจริต ม, มนโนสุจริตเราจะทําสมาธิจิตฟังมอย่างที่ถูกต้องที่ถูกต้นก็เรารักตัวเองแล้วก็ปราศจากอะไรตัวเองนั่นได้ดีเราจบหวังเราจบความสุขและกำจนดทุกข์ไปในที่สุด เนี่ยลักษณะเนี่ยคิดให้กับตนเองแบบนี้ละฟกร์ตนเองยังถูกต้องไปแท้จริงนำสิ่งดีๆเข้สตนเองนี่กตนรอย่างนก็เนาได้เลยนะช่วงนี้นะโดนไอ้ข้องไอจางงาปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊วิ่งรถถนนเส้นนี้ผล่ไปยืนทำงานนี่ยาปกติถ้ายาไม่ปกติเช่นเช่นตนเองไปสมานทุกเศร้าหมองเออ ความเดือดร้อนมนเียเวียนมากมายยานนั้นต้องอะไรไตรรนาตวเองไม่ใช่เบตาเช่นตนเองประสบปัญหาชีวิตยังหนักมีเรื่องราวโถงออกมาอะไรก็แล้วแต่มันตกต่ำขนาดไห น, ห, นหรืออะไรก็แล้วแต่ยานนั้นต้องไตรรนาตวเองถ้าวม่ไตรรนาตุยังไงถอนตนเองออกจากทุกจากการจองอยู่ในทุกที่มันจองอยู่กับบา จอยู่ความเครียด <prior> จอยู่ความกัดกุบจอยู่ความโง่จอยู่ความไม่รู้ไม่เรเราทั้งหลายเน imes, ี่ยึงถอนตัวเองให้ได้ด้วยความข้อมูลหาข้อมูลใดๆก็แล้วแต่หากริยางพิจใดตึงตัวเองออกมาให้ได้นี่กเรียกการุณาตัวแล้วก็ชื่นใจที่ตึงตัวเองออกมาจากความทวกความเดือร้อนั่นเองนี่กเรียกการุณาว่าเราจะต้องถอนตัวเองออกจากความกุ้มความทุกข์ความเครียดความปิกรรวันนี้นะโอ้เพียรพยายาม้งมีทางเลยนี่ก็เรียกว่า การุณาตนเองเพื่อจะทําให้ตนเองนะประสบความสุขและก็เข้าถึงความมั่นคงภายนมีเป็ น, ปนต้อนอะไรอย่างแล้ ว, ลวมุทิตาตนเองใช้ในเวลาไหนเวลาที่ตนเองพัฒนาทำพฤติกรรมจิตใจและปัญญาตนเองอู้ตนเองพัฒนาได้ดีขึ้นประสบสิ่ที่ดีมากขึ้นตอนนั้นคอยยินดีไม่พอ ส, สนับสนุนจงเสริมเพื่อหนึงทำให้กระแสชีวิตของตนเองทําพฤติกรรมจิตใจและปัญญา พัฒนาให้สิ่สมาธิปัญญาที่ไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้น น, น, นั้ตตนเจริญเลยเนี่ยดูแล้ ว, วา่ามุ่งหนาตัวเองแล้วเบขะเราใช้เวลาไหนวาระที่การพัฒนาการฝึกฝนตนเองว่าการสร้างเีอย่างนี้ก็ทํงงางยาอย่างนี้ตอนนี้เรากําลังรับผลดีได้ไม่ดีอย่างไรในขณะนั้นก็วางใจเป็นการให้เข้าใจเฉดเข้าใจผม ว่ตอนนี้ผมมันยังไม่ได้คือทีเดียวเหมือ น, นมันต้องฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกใ็ให้เป็นไปอย่าติดต่อแลนต่อเนื่อไม่เล่าร้อนไม่คุกุงไม่ดีใจเสียใจในขณะนั้นก็ฝึกเป็นเองด้วยวิสียทัศนด้วยวชิมาปฏิปทาด้วยรูปยาข้าวให้เป็นไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจที่มีปัญญาเข้าไปรู้เหตุรู้ผม ในทางที่จะดาเนินชีวิตปฏิบัติหมายประชาระดาย น, น, น, นี่ก็เรียกว่าเดินรองีิหาในชีวิตจริงของตนเองเป็นแล้วก็รู้ว่าจะเดินช่องไหนอย่างไรก็เดินได้วิ่งได้ทุกช่องมนุษย์เรามีอยู่สี่ช่องสแนวทางนี่แหละนี่ตาก็เดินได้ข้อจมูกได้ข้อมือที่เราข้อเกาได้ยๆๆ อ, อย่างนี่ดูดก่อนเอามองไปที่คน อ, อื่นก็พาเขาเป็นสี่ช่อง จะเตืนยังไงเมตตาเานะะหนึงเวลาไหนนิยาที่เราเป็นปกติไงใช่ไหมปกติเราก็เป็นยิ้มเราเป็นปกรักรประนานี้ตก็มีเมตตาเมื่มีเมตตาปุ๊บกับใครคนใดคนหถ้าเรามีเมตตาเด็เขาต้องต้องกาทรา ท, าที่หยิย่ประโยชน์ให้เขานำสิ่งดีให้เขาด้านใจปรทาทานาเามีความสุข าาทางธนายก็ไปส่งตามจุดทางธนายก็พู ด, พ ด, พดถ้ามีโอกาสจะพูดนี้ยพูดด้วยเมตตาหลายนาก็ไดู้้องร้ฟังด้วยถ้าทำ่ได้ก็ททกายทำได้ก็ททวาจาพูดไ้ก็พูดทกายวาจาทไม่ได้ทงใจาไปเดินเดินแสดเดินเห็นตกตามเห็นเขาประสบความทุกข์เห็นไม่รื่ พยโยมมาพบโยมไม่รู้เรื่องกันเลยมาท้กงตั้งอะไรเมตตาและกรนนะเป็ใชการทำงาี่พยอมไม่รู้เรื่องน่ยแล้วยโยมกำลังประสบอยู่กับความทุกข์กความไม่รู้ประสบปัญหาชีวิตกับความไม่รู้นะเมื่อเจ้าเราแสดงธรรมจะมีัมผัสเมืเจ้ามีหายปรินาไมม่ใช่เมตตาแน่ๆเมื่อเราไม่ปกติเมื่อเรากำลังจบเร่ิเดียวจบ่ความทุกข์ใช่ไหมนะมองในมุมนี้เนี่ย ก็เดินช่องนี้แล้บอกคอบครัก็จะถอนเราออกเห็นความไม่รู้จากไม่มีไม่มีศรัทธาเป็นความพวกนั้นยอมไม่มีศรัทธายอมไม่มีความเคลียร์ยอมไม่มีสติยอมไม่มีสมาธิยอมไม่มีปัญญาแลยอมจบอยู่เนความทวกนั้นทำยังไงว่ายอมมีศรัทธาโอ้โนฝ้ายเจที่เลยทั้งพูดทั้งนึงใจคิดก่อนพูดพูดเรื่องอะไรที่นีมีศรัทธาแต่พอเาด้ตายก็่ะมาศรัทธาด้วยที่ทำยังไงดีพูดให้ถูกต้อง มือที ạ, ่บอกไม่เชื่อมันตัวเองไม่พูดอะไรเชื่อมั่นพูดหลายรอบเป็นน้ำหมดขวเองมันเนี่ยถ้าไม่กินนาอยากพูดที่ไหก็พูดนอนอนอยู่เฉยไม่ต้องพังใจเลยเนี่ยมีคนขายมืออะไรเงี้ยมีคนก็มืออะไรเงี้ยก็อยากพูดที่ไหนก็พูดที่ไหนก็พูดแล้วหายเนี่ยเนี่ยแค่ก็ภาวนา ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับที่อ่งีเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจไหมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจชิดหรือไม่นะทำเท่าไรทนี้อาภัเห็นรอรู้เรื่องต่างๆใช่ใชคอยยินดีสนับสนุนส่วยให้กำลังใจที่ผู้ที่ตามมาแล้วเอ้ายังเข้าวานใจติดตามเขาจะให้สนานที่ วิญญาณบางอย่างเราจเห็นว่าในชีว so, ิตธรรมี่นราหนุนอยู่สีเส้นเราจะวิ่งเข้ามาเป็นเส้นตัวเราเองเ็นคนดูดูยังไงทีนี้เขาวิหารในชีวิตจริงจะไปเดินยางแบบนี้ไหมล่แยกกระแสชีวิตออกมาเห็นช่องทางทั้งสช่องแล้วก็วิ่งวิจงเแล้วเราจะได้เข้าใจจะมียสติเขาทั้งนั้นเราก็เจอชันทากีมเียก็ล่ะดีหมดเลย แล้โทษาคติโกรธพอใจไม่พอใจอยู่เลยแล้วก็โมหะคติแลมันก็หลงม่แยกยะายกันยังไงแยกกันย้ายตัวให้ถูกอยู่วโกรธมันไม่ไปยังโกรธมันไปกลัวไปทั่วพวกมัมเรื่องอะไจะใจเย็นกะจัดจิตโดยตงเนี่ยพอใจเนี้ เรามองไปเนี่ยจะต้องดูยกระแสทีมีท่านอยู่นี้เราจะเดินครงมีหาเส้นไหนจะเินถนนเส้นไหนเพราะของเราเราเดินเขาคนอื่นเขต้องดเดินก่อเาเดินทำงานมาได้เนี้ทั้งตัวเราเองก็ะคนอื่นเป็นอุปกรณ์ในการเดินทพงมหาเดินงานเลยทุกคนครองวูวูวูิ่งไปโ มีใหม่ก็เยร์สามสิบสี่คนทำงานก็เกียร์ห้าสับหกสบนเข้าแปดสิบคนเข้าร0อยยี่นงานจะยืบสองนโอ้คนบริหารดีสองร้อยหเร็วมากถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ดเท่าไหร่ไ้าล้วหกสิบผมเดินครับสิบผมเดินชอวงี้มจะมองยังที่เนี่ย ก็เนี๋ไปไหน้นเดือนนโมเสเดือนเดือนอยากก้าต้นเดเดเริญไเจริญการที่ที่มีประกาีัารตุกจีนเพื่อรนสร้างให้ประชาเพื่อ่ กูสอนเด็กตั้งใจเรียนกูสอนให้พ่อพี่ส่งให้พ่อพี่แล้วก็พ่อพี่ก็สอนให้พ่อพี่ส่งให้พ่อพี่แล้วก็นยิ่งโตยิ่งดีขึ้นอยากจะทำอะไรสิ่งทงเพิ่มขึ้นให้ความเพิ่มขึ้นเป็นสติเพิ่มขึ้นเป็นความตั้งใจเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นอย่างดีขึ้น เรทำเพื่อจิตใจเราทำเพื่อการัฒนาทุกยานกาทำเพื่อเพร่มคุณธรรมรุมคุณธรร่อจุดหมายที่ถอยขึ้นไปข้างบนก็ต้องมีความตั้งใจความตั้งใจที่จะทำให้ได้ประบ